รุเหมือนกันใช่ประขนาดว่าปิดเทอมแล้วนะใกล้สอบใช่ไหมคะแบบรถติดมากเดี๋วิ่งตัดตาเหลือกมาเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขอสุขภาพนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพี่วินวันนี้เตรียมข้อมูลมาเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสุขภาพวันนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็อยากจะมีหนังเรื่องนึงนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมฮะ ห, หวยออกหนัง ไม่ใช่หนังอย่างนั้นหนังญี่ปุ่นไม่ใช่นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของแหล่งที่มาของอาหารใช่ไหมคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องคอสุขภาพใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แหล่งที่มาที่ให้พลังงานกับเราใช่ไหมคะซึ่งหนังเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าไตเป็นคนตัดต่อเองโอ้ยไม่ใช่นัเสี่ยวหนังมันดีอยู่แล้วนะคะแต่วัวนนี้ตัดต่อเพื่อกระชับให้มากขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะ ไม่เป็นงานเสียเวลาเนาะมาดูหนังกันเลยดีกว่าอ่าขอเชิญทุกคนรับชมได้เลยนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นนะคะว่าแหล่งอาหารที่มาของเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะเห็นแล้วก็ช็อกกันไปตามๆกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับพี่ท่านต่อไปนะคะที่จะขึ้นมาแบ่งความแบ่งปันความรู้ให้ในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าวันนี้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวของการ เรารู้ที่มาของอาหารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะล้างสารพิษออกก่อนละออกจากร่างกายก่อนใช่หคะซึ่งพี่ท่านนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับของการดีท็อกซ์นะคะแต่ว่าเป็นคนเป็นพี่อีกท่านนึงนะคะที่เตรียมข้อมูลนีแบบ ดีมากๆเลยได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้คุยกับพี่ลินแบบดึกมากๆเลยเพราะว่าวันนี้อยากให้เพื่อนๆน่าได้รับความรู้ได้เต็มๆเลยใช่ไหมคะก็เมื่อกี้พี่ลินยังแซวใช่ไหมคว่าถ้ากระดาษจดไม่พอใช่ไ้มก็จดที่ที่เนื้อเราไปเลยนะเดี๋ยวจะได้ติดตัวไปด้วยค่ะก็เป็นพี่นะคะตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะเป็นรูปแอปเปิลโดนกัดเป็นนักแปลภาษาอยู่นะคะแต่ว่า เขาก็เป็นคนที่เตรียมข้อมูลมาดีมากๆเลยวันนี้แต่พูดเราก็ยังตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะอยากฟังพี่ท่านนี้มากๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะตบมือต้อนรับนะคะพี่วินนะคะคุณกาวินวุฒิมงคลกุลค่ะเอสเอสหนึ่งสองสามมีไมส่วนตัวนะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับใครแอบหลับมั้ง หลับลงเหรอใครเคยดูครั้งแรกครับเรื่องนี้ครั้งแรกครั้งแรกอยู่ดีครั้งแรกเหรอพี่นนท์เคยดูป่ะครับเรื่องเนี้ยอ๋อไอจริงจริงชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องเนี้คือ Food อิงชื่อภาษาไทยคือเปิดโปงบริบริโภคช็อกโลกเป็นสารคดีที่ได้รางวัลประมาณเกือบยี่สิบรางวัล น, นะครับทั้งในวงการและนอกวงการ เป็นสารคดีที่การโปรโมทน้อยมากแต่มันเกิดจากผู้บริโภคเนี่ยก็แชร์ต่อมาเรื่อยๆวินดูครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วครับก็พี่ลินออกมาให้ดูนี่แหละช็อกนะครับคือตอนแรกเนี่ยช็อกจากจากจากอาหารที่เราชอบกินอะนึกออกไปครับในเนี้ยผมชอบกินหมดเลยนะใช่แล้วแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ที่จริงๆแล้วเราควบคุมไม่ได้ครับนึกออกนึกออกไหมครับเอ๊ะสไลด์ได้อย่างนะ สไลด์กำลังเลยนะดูนะควันนี้ก็หัวข้อเรื่องของ detox detox นะครับแต่ว่าก่อนจะ detox เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมต้อง detox แล้ว detox คืออะไรนะครับหลายคนวินว่ารู้จักคำเคยได้ยินคำนี้มาเยอะล่ะจริงๆเราแค่เปิด Google แล้วก็เข้าไป search แล้วพิมพ์คำว่า detox ไปนะครับขึ้นมาเป็นพื้นเลย detox วิธีนู้นวิธีนี้ทาแบบนู้นทาแบบนี้ ใครรู้จักแบบไหนมัง่งเรามาแชร์กันดีกว่าสวนกาแฟสวนกาแฟแปลว่าอะไรครับจิ้มตุดนเหอะนะครับมีมีใครรู้แบบวิธีแปลกแปลกมังแปลกแปกอะ่ะผักสุดผักสวนตุดผักอะไรทุเร่เหลือ <c oughs> <c oughs> กินผักมีใครมีวิธีแปลกแปกอี ก, กไหมครับาชา ส่วนใหญ่นะครับถ้าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผักและผละไม้ในการดีท็อกซ์นะครับแล้วก็การใช้กาแฟส่วนสวนทวารอันนี้แหละนี่คือสิ่งที่เจอบ่อยๆมันก็จะมีพวกอบไอน้ําอบ อ, อบไอ้น้ำนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งในดีท็อกซ์แต่ว่ามันไม่ใช่การดีท็อกซ์ในระบบลาไส้มันคือการดีท็อกซ์โดยการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนๆแล้วก็ขับน้ําออกมาแล้วของเสียก็ออกมากับน้ําซึ่งเอ วินก็ว่ามันไม่ได้ช่วยเยอะครับเพราะสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายมากกว่าถูกไหมครับพออ อ, อกมาจาอบไปน้ําเสร็จเราก็ต้องกินน้าเยอะๆกินน้าเยอะๆนะครับการสซนทวารเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณผู้เปิดโอกาสก่อนแล้วกันขอบคุณนัวนแล้วก็ขอบคุณพี่ลินที่ให้โอกาสวันนี้นะครับขอบคุณครับนะครับ <c oughs> ผมเป็นคนนึงที่ได้ขึ้นวันนี้ใช่ไหมครับคอร์สนี้มีสี่ครั้งพี่ลินซูเปอร์วส์ให้ทุกครั้งอะผมผมมาเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังนะเมื่อคืนก็อยู่กับพี่ลินดึกมากนะครับก็หลังจากทุกคนกลับก็พี่ลินก็นั่งดูสไลด์ให้หนู่นนี่นั่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยหัวข้อแรกที่จะให้ดูเนี่ยมันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เรากินในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราพูดว่าถ้าเราพูดว่าทํายังไงให้ตัวเองมีสุขภาพดีอะเรานึกถึงอะไรครับใช่ประโยคนี้ประโยคเด็ดเลยนะครับคือวินว่าทุกคนตอบได้เพราะมันเรียนกันมนตาตั้งแต่เด็กอะครับว่ากินอาหารครบห้าหมู่ ถูกไหมครับมีอะไรบ้างครับคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แมกนีเซียมสามตัวคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันแล้วก็ไมโครก็อีกสองตัวก็คือวิตามินกับเกลือแร่ถูกไหมครับวิธีการดูแลตัวเองแม้กระทั่งแพทย์นะครับแพทย์เวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็แค่บอกว่าให้เราดูแลตัวเองโดยการกินอาหารเนี่ยให้ครบนะครับแต่ทํำไมเรายังไม่หายก็เนื่องจากเรากินไม่ครบไงครับคือตอนนี้คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าคําว่าครบมันคืออะไร วันนี้ใครคิดว่ากินครบห้าหมูมั้งครับผมผมคิดว่าผมกินครบแต่ปริมาณไม่ครบถ้าเรานับชนิดอะห้าหมูครบไหมวันนี้กลางวันอตอนเช้าวิ่งกินหมูปิ้งข้าวเหนียวคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมัน <laughs> กลางวันกินข้าวหมกหมูทอด <laughs> มีตังกวาสามอันนะครับงกวานั่นคือวิตามินเกลือแร่ของผมครบไหมเอาจริงๆอะคนมันก็ตอบครบอะ เพรเราก็กินครบนะโปรตีนก็มีคาร์โบไฮเดรต ก, ก็มีไขมันก็มีวิตามินเกิือแรกก็มีในแตงกามีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่การเพียงเพียงพออ่ะคิดว่าแตงกวาสามแว่นมันพอไหมครับกับวิตามินที่เราต้องได้แต่ละวันไม่พอนะครับแล้ววิ่งกินอะไรอีกครับวันนี้กินข้าวหมกหมูหมทอดไม่อิ่มก็เลยกินเยนตาโฟแห้งชามหนึ่งนะครับมีผักบุ้งพยายามหาวิตามินเกลืแรกก็ <c oughs> <c oughs> พอไหมครับ <c oughs> แล้วพอของเรามันคืออะไรครับองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าถ้าเราอยากทานผักผลไมใ้ให้พอเนี่ย ต้องทานให้ครบห้าสีวัละห้าน่วยหน่วยหนึ่งก็คือคิดภาพบาทพระนะครับบาทพระในนั้นอ่ะให้เต็มบาทห้าบาทห้าสีมีสีอะไรบ้างครับแดงม่วงขาวเหลืองแล้วก็ส้มอยู่กับเหลืองเขียวเขียวถูกต้องนะครับ ทำไมเขาถึงแบ่งสีอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกกว่านะครับคือปัจจุบนันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไอสารพฤกษาเคมีที่อยู่ในผักเนี่ยเขาจําแนกตามสีของผักและผลไม้นะครับลองไปเสิร์กดูได้ครับใช้คําว่าสารพฤกษเคมีไฟโตนิตรียนหรือว่าสารชีวะเคมีเอ้ยสารชีวะในพืช น, นะครับมันจะมีชื่อเลขๆแต่พวกนี้คือหมายถึงไฟโตนิตรียนหมดเลยเช่น <Okay. S 1> เรากินแอปเปิ้ลเราได้อะไรครับเราได้สีอะไรสีแดง หรือสีขาววะเพราะว่าขาวเลยข้างในแดงข้างนอกก็เขาก็บอกว่าถ้าเราได้สีแดงเราก็กินเปลือกถ้าเลยอยได้สีขาวเราก็กินข้างในครับเราคิดง่ายๆแบบนี้เพราะสีธรรมชาติตามธรรมชาติเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วนะครับทีนี้เรารู้เลยว่าวันหนึ่งเราข่าสีอะไรง่ายๆถูกไหมครับสีที่คนข่าที่สุดในประเทศไทยวินว่าคงสีม่วงสีเขียวเนี่ยเรากินบ่อยละใช่ไหมครับสีแดงหในกระเทศก็มีสีม่วงในหลอดหาจากไหนมาเขียม่วง b l u e ร e r r y บลูเบอรี่สีม่วงช่วยเรื่องอะไรครับใครเคยดูโฆษณาไหม<ำ>ความจําใช่ไหมอีกหลายอย่างที่ไอ้พวกนี้มันช่วยนะครับเขาบอกว่าเราเป็นตามที่เรากินนะครับนี่ผมเอาภ้ามาให้ดูว่าวันๆผมกินอะไรบ้างไม่ต้องหูกินเหมือนกันหมดผมว่าของโปรดคือสิ่งนี้อาหารข้า้นอาหารข้า้นอาหารยังไม่หมดอีกไอ้นี่คือเป็นมื้อประจําวันในทุกวันตอนอยู่ที่ทํางาน ฮะไม่ไม่เดียวคืออะไรครับไอ้นี่ไม่ไม่นับผมกินมาม่าผมไม่นับเป็นมือมันเป็นระหว่างมือถูกไหมก็ไหวอยู่นะถามจริงเรารู้หอว่าตอนกินเราตอนกินถามจริงเรานั่งเรานั่งคิดเหรอว่ามันดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพผมไม่คิดนะผมกินก็กินคืออยู่ที่ออฟฟิศมันต้องรีบกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วทำไมวันนี้เรามาคุยเรื่องสุขภาพอ่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้ดูแลขนาดนั้น นะครับจริงๆแล้วมันจําเป็นมันรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้แล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราจะเลือกในการกินได้มากขึ้นสิบอันดับของโลกที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่ชอบกินมากๆแฮมเบอร์เกอร์จากที่เราดูตะเกียรครับเวลาเวลาเราทานแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราจะได้เราจะได้เราจะเจอประโยคว่าพียวเบฟมาตลอดเลยเพราะว่าเพียวจริงๆนะครับเราลองคิดภาพวัวหนึ่งตัวนะครับส่วนไหนของวัวที่อร่อยครับพี่กิต ที่แบบขายในร้านพี่แล้วแพงที่สุดยอย่างเงี้ยหยอกทีโบนสเต็กแล้วกันทีโบนนี่คือส่วนไหนครับพี่อ่าส่วนนั้นแหละเขาจะตัดออกมาแล้วเอามาขายส่วนไหนที่ตัดแล้วขายได้จะถูกตัดออกมาแล้วขายส่วนไหนที่ถูกตัดออกมาแล้วขายไม่ได้จะกองอยู่ที่พื้นแล้วถูกนํารวมๆกันมาเอาไปบดนะครับอะไรที่คนไม่กินบ้างครับจมูกวัวสมองวัวกีบวัว นะครับใครบอกจูว่าตะกี้ใครบอกไว้เลยตะกี้ <c oughs> ไม่ใช่ผมพูดนะ <c oughs> อ, อ, อ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆนะครับเรื่องไอ้ไอ้พวกเนี้ยเขาจะเอามารวมๆแล้วบดเป็นเนื้อแล้วทํำไมมันอร่อยกว่าเนื้อวัวปกติก็แน่นอนครับปรุงรสไงครับตอ น, นเด็กๆนะตอนนี้ก็แม้แต่ตอนเนี้ยให้เลิกให้เลิกไส้กรอให้เลิกเบอร์เกอร์ผมก็ยังชอบกินเพราะมันอร่อ ย, อยไงมันก็ปรุงรสมาให้ถูกปากของเรานะครับ ผงชูรสเยอะมาก MSD ก็เยอะนะครับและที่สําคัญปัจจุบันนี้ตะกี้เราดูภาพแล้วตะกี้เราดูหนังเพื่อเป็นการปรูพื้นฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอไอุตสาหากรรมมันเข้ามามีบทบาทในการการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์นะครับมันไม่มันไม่ใช่เลี้ยงสัตว์แบบที่เราคิดอีกแล้วมันกลายเป็นสัตว์ในคอกนะครับไก่เนี่ยจะอยู่ในหลุมและห้ามออกจากหลุมแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับที่ล็อกคอครับล็อกคอ แล้วก็จะโผล่ออกมาอ้าปากเพื่อเอาอาหารกอกใส่ปากไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับมืดตลอดเวลานั่นคือการเลี้ยงไก่เพื่อนํามาทําเป็นอาหารนะครับมันก็เลยอันตรายแถมสารพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยก็เยอะมากๆเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันต้องใช้ในการป้องกันพวกเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้น น, นะครับนะครับแล้วคนที่กินต่อมาก็คือเราแล้วก็สาเหตุว่าทำไมยาปฏิชีวนะปัจจุบันเนี่ยมันถึงต้องต้อง คือเวลาไปหาหมอครับหมอก็จะให้เวลาเราเป็นอะไรแล้วไม่ไหวจริงเขาจะให้ยาปฏิชีวนะแล้วเขาจะให้เลือกจากยาปฏิชีวนะที่มีโอกาสน้อยที่สุดที่ที่คือผมไปหาหมอแล้วกันนะครับผมได้ยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวแรกเนี่ยไม่ได้ผลเขาเลยต้องให้ตัวที่สองนะครับมันมีหลายชนิดแล้วก็เลยได้คุยกับหมอแล้วทำไมหมอไม่ให้ตัวที่สองเลยหมอบอกว่าไม่ได้ต้องลองตัวแรกก่อน นะครับเพราะว่าการกลายพันธ์การดื้อยาของมันเนี่ยมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆถ้าเราให้ผิดสมมติให้ยาปฏิชีวนะมาแล้วเรากินไม่ต่อเนื่องจนไม่หายเงี้ยเชื้อโรคกลายพันธุ์สวยละแปลว่ายาตัวนี้ใช้ไม่ได้ล้วไอ้นี่คือสาเหตุทําให้มันต้องใช้เรื่อยๆครับมันถึงต้องไปเรื่อยๆอันดับสองนี่คือฮอตดอกอันดับสามคือเฟรนชฟรายชอบไหมชอบเหรืออันดับสี่น่าจะโดนัทนะครับไม่น่าจะอันดับหพิซซ่าอันดับหกน้ําอัดลม น้ำอัดลมนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับหนึ่งกระป๋องมีพลังงาน250กิโลแคลอรี่น้ําตาลเจ็ดช้อนมีความมีคุณสมบัติในการละลายตะปูได้ภายในสี่วันน้ําอัดลมนะครับแล้วเราก็ทานเข้าไปนะครับไอศครีมอันนี้ไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่าไขามันเยอะมากแต่เราก็ชอบกินพกดโพเตโตชิพอาหารครบเคี้ยวนะครับชีวิตประจําวันเราก็เจออาหารพวกนี้นะครับเรามาดูตะกี้เขาพูดถึงเรื่องนมบัวใช่ไหมครับแต่เขายังไม่ได้ลงลึกถึงนมบัวผมเลยเอามาเล่าให้ฟัง นมวัวเราเคยได้เรียนรู้กันว่ามันเป็นโปรโตีนที่สําคัญมากๆนะครับในการทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตนะครับเป็นเด็กใครใครก็กินนมวัวผมมันก็เกิดมากับนมวัวแต่กินมาโตมาถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้ตายไม่ได้อ่อนแออะไรเราก็ยังเข้าใจแบบนี้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยตอนนี้ออกมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการการทําไมเราถึงไม่ควรทานนมวัวอีกต่อไปนะครับมันเป็นงานวิจัยระดับโลกแล้วนะครับเรื่องนมวัวเนี่ยหลายๆประเทศก็เลิก ลณรงนมวัวให้นมแพะนมอื่นนมแม่เราลองคิดภาพง่ายๆครับวัวนมอื่นอะไรครับไม่ให้นมอื่นนมอื่นนมแพะอ่ะเราลองคิดภาพนะครับเด็กตอนแรกเกิดโทษนะครับพี่พี่โอ๊ตลูกพี่โอ๊ตตอนนี้อยู่อะไรอ่ะน้ำหนักเขาอะไรครับแปดโลอายุประมาณขวบสามเดือนนะครับเชื่อไหมครับว่าวัวตอนอายุขวบสมเดือนน้าหนักมากกว่าลูกพี่โอ๊ตเชื่อใช่ไหมแล้วอีกหนึ่งปีถัดมาเนี่ย น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าลูกของมนุษย์อ่ะสองเท่าสามเท่าเพราะฉะนั้นสารอาหารไม่เหมือนกันละแต่ว่าทําไมทําไมถึงคนมีงานวิจัยออกมาขนาดนี้นะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายของเราร่างกายซ่อมแซมเซลล์นะครับอีกทั้งมีกรดอะมิโนจําเป็นเกือบครบนะครับก็ปัจจุบันแล้วมันเปลี่ยนไปนะครับการเลี้ยงวัวมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนฟาร์มบางแห่งนะครับนํายาปฏิชีวนะนำโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็คือฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย ก็อยู่ในทุกคนนี่แหละทุกคนมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนแต่การได้เยอะมากเกินไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทำไมต้องใช้ยาปฏิชีวนะและโกรทฮอร์โมนเพื่อให้วัวเนี่ยมีความทนทานต่อโรคแล้วก็ให้หลังน้ำนมให้ได้มากขึ้นแต่แล้วมันก็ตกค้างมาในน้ำนมมาสู่พวกเราแล้วมันมีผลเสียยังไงนะครับปี2003คอสอนะครับนะเป็น10ปีแล้วนะครับงานวิจัยนีย้มหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับชี้เห็นว่าการดื่มนมวัวในปริมาณมาก เมื ego, ่อก่อนตอนเด็กๆเนี S <S <tan> uh like ่ยว um ินไม่เคยโดดืไม <May hem. S 1> mm ่เคยถูกให้ด hmm. <huh? S 2> hmm. ื่มนมแค่แก้วสองแก้วอ่ะวันหนึ่งดนเยอะกว่านั้นตลอดเพื่อนวินบางคนดื่มเป็นขวดเป็นเป็นเป็นขวดลิตรอะครับแทนน้าก็มีนะครับผลการวิจัยเขาบอกว่าการดื่มนมในปริมาณมากๆไม่ได้ช่วยลดอัตราการเกิดโรคกระดูกหักหรือภาวะโลกกระดูดพุนทั้งยังไม่ช่วยเสริมแคลเซียมแต่กลับทําให้สูญเสียแคลเซียมตลกไหมมันดูไม่น่ามันดูงานวิจัยนี้ไม่น่าใช่อ่ะแต่ว่ามหาวิทยาลัยฮาวาดเป็นคน วิจัยเรื่องเนี้ยเพราะอะไรครับเราลองมาลองมาลองมาลงลึกกับไอ้ไอ้สิ่งนี้ดูนะครับก็นมวัวคือโปรตีนจากสัตว์ใช่ไหมครับโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเวลาร่างกายเราได้รับปริมาณมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วพอมันอยู่ในเส้นเลือดเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมันจะทําให้เลือดเนี่ยมีภาวะเป็นกรดเพราะฉะนั้นมันเลยต้องดึงแร่ธาตุซึ่งเป็นด่างออกมาเพื่อเจือจางให้ให้เส้นเลือดเราเนี่ยมีภาวะเป็นกลาง มากขึ้นนะครับซึ่งแรกถ้าที่ถูกดึงเนี่ยก็คือแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นนมเนี่ยเสริมแคลเซียมจริงแต่การดื่มมากๆเนี่ยการเสริมของมั น, นสู้การถดถอยของมันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าจะดื่มจริงๆเนี่ยเขาแนะนำแค่วันละแก้วนเท่านั้นเองนมนะครับนมวัว น, นะครับมีอะไรอีกครับปี2007ดรซัมเวลเอฟไต์นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับมีงานวิจัยออกมาว่าไอโกรธฮ o ร์มที่ใช้ในวัวเนี่ยชนิด IGF 1เนี่ยเป็นสารที่ ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่านมปกติถึงสี่สิบเท่าหมายความว่านมปกติคือนมคือนมที่มาจากวัวที่ไม่ได้ใช้โกรทฮอร์โมนซึ่งนมพวกนี้ปัจจุบันเราจะเห็นคําว่าออร์แกนิกเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอะ่ะมันคือเขารู้กันหมดแล้วอะ่ะว่าในนมปกติที่ไม่มีคำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันก็มันก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำว่าออร์แกนิกผักออร์แกนิกเนื้อหมูออร์แกนิกแพงกว่าปกติสามเท่าเพราะมันไม่ได้ใช้พวกสารพวกนี้ยครับเราก็ต้องใช้เงินซื้อ คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นวารสารแพทย์อังกฤษตีพิมพ์ว่าสตรีที่ดื่มนมวัว4แก้วต่อวันมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่สูงกว่าปกติ4เท่าผ่านเรื่องนมวัวหรืออะไรนะสตรีไม่ใช่นะนะครับหมูหมูก็เป็นอาหารหลักของประเทศไทยนะครับก็วินว่าทุกวันนี้วินก็กินหมูอยู่ครับหมูมีอะไรครับเราเคยได้ยินคว่าสารเล้งเนื้อแดงไหมครับเคยเนอะ เขาได้เขาได้ยิงจนเขาเลิกพูดถึงกันไปแล้วอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องปกติครับสารเล้งเนื้อแดงนี่คืออะไรนะครับในการแพทย์ในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้ไอสารตัวเนี้ในการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้เต้นนะครับแล้วพอมาฉีดในหมูเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเนี่ยขายดีเพราะว่าเราชอบกินเนื้อแดงๆถูกไหมครับหมูที่มีสารเล้งเนื้อแดงสังเกตง่ายๆพันมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับปกติมันจะอ้วนๆไม่ได้กล้ามเยอะขนาดเนี้ยแต่พวกหมูที่มีสารเล้งเนื้อแดงถูกฉีดเข้าไปเนี่ยกล้ามมันจะเป็นมัดมันจะเป็นหมูเล่นกล้าม แน่หรอไม่ครับสังเกตง่ายๆถ้าไปฟาร์มนะครับเจอตัวไหนที่มันก้ามเยอะๆเนี่ยตัวนี้ชัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตัวนี้ไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเนื้อหมูเนี่ยเวลาถูกฉีดสารเล่นลเนื้อแดงเข้าไปใครกินครับเรากินเข้าไปในตัวเราเกิดอะไรขึ้นครับยาที่ถูกใช้ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจะกล้ามเนื้อหัวใจกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายพอมาอยู่ในร่างกายเราในปริมาณมากๆก็ทําให้กล้ามเนื้อนั้นอะวายแล้วก็หยุดเต้นไปเฉยๆดื้อนะครับ อันตรายมากเหมือนกันนะครับเขาถึงรณรงค์ว่าอย่าใช้กันไงครับไก่ไอ้นี้เด็ดมากผมใช้เวลา น, านานมากในการหาข้อมูลนะครับแต่หาไม่เจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจําได้จริงๆว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยเข้าไป search ข้อมูลบางอย่างที่มันมีมันยังคงมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้ผมหาเจอแค่นี้ก็มีการออกมาถแถลงอย่างชัดเจนว่าไก่ไทยไรสารเลีงโตหมายความว่าสารเลีงโตคือ growth hormone นะครับ รเราเคยได้ยินไหมครับกินไก่มากๆ ห, าหน้าอกใหญ่เร็วนะอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนนี่แหละนะครับบางคนบอกเดี๋ยวรีบไปกินสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนนะครับไก่ไทยที่ปัจจุบันเนี่ยมันโตได้ขนาดนี้ทั้งนั้นที่ใช้เวลาน้อยกว่าปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่พันพันคือคำตอบเกือบทุกอย่างนะครับ แล้วเขาหาพันธุ Who Who ์ยังไงครับเขาไม่ได้ไปค้นหาตามป่านะครับไก่ตัวนี้ยังไม่เคยค้นพบมาก่อนเอามาจับทําเป็นไก่บ้านเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เอามาให้ผู้บริโภคไม่ใช่ครับเขาก็ตัดต่อทางวุทุกรรมนะครับเอาส่วนที่ดีๆดีๆนี่หมายถึงเหมาะแก่การบริโภคเช่นชอบกินเนื้ออกใหญ่ใชอบกินตัวใหญ่ใเนื้อเยอะๆเขาก็ตัดต่อตัดต่อต่อจนออกมาเป็นไก่ที่เดี๋ยวนะครับผมหาประโยชน์หนึ่งครับเนี่ยมีการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาจนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่นิ่ง เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในประเทศไทยหมายความว่าไก่ที่เรากินปัจจุบันตอนนี้ทั้งหมดนะครับเป็น GMO หมดแล้วแล้วมันมีผลอะไรก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ขอบคุณกันนะจริงๆข่าวนี้วิ น, วนไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่ามันพึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนก ร, รกฎาคมปีนี้เองสองพันสิบสามนะครับเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลนะครับไม่ใช่อิสราเอลโทษทีครับประเทศไทยนี่แหละนะครับจังหวัดตรังถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการกลายพันธุ์ ของมแมลงวีโดยการเอามะเรงวีเนี่ยสองกลุ่มนะครับก็สแมเปิลอะครับสองกลุ่มแยกกันใช้ชีวิตแยกกันนะครับให้มันใช้ชีวิตเหมือนเดิมวงจรของมันเหมือนเดิมแต่กลุ่มนึงเนี่ยเปิดสัญญาณ wi-fi ไ, ไ, ไว้รอบๆรอบๆแก้วมันนะ่ะรอบๆโดมมันนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือมแมลงวีรุ่นที่สี่หมายถึงว่ามันขอลูกมาสี่รุ่นแล้วอะนะครับมีปีกงอกขึ้นมาเพิ่มสองปีก ฝั่งที่ใช้ฝั่งที่โดนสัญญาณ i วไฟครับก <ME U ly> ็เพราะอะไรครับคือผมไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะสัญญาณไฟฟ i รลบกวนมันหรือทำให้ DNA ของมันเปลี่ยนไปเลยปีงอกออกมาอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้แต่สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือไอ้คำว่า G M O เนี่ยถ้าเราอิงศาสนานิดนึงครับคือเราพูดว่าการออกแบบออกแบบแล้วมันเราใช้กับศิละปะเราใช้กับ สิ่งอื่นๆแต่เรามาใช้กับชีวิตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนพันธุกรรมและการเปลี่ยนพันธุกรรมมันจะกระทบอะไรมันไม่กระทบรุ่นนี้ครับรุ่นลูก ข, ของเรารุ่นหลานของเรารุ่นต่อๆไปผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะกย็ยังไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแต่มันมีเข้าใจคําว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ไหมครับคือผีเสือ้อกะเพิร์กเพลียงหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปไกลแล้วมันก็มีจริงๆเราครับพวกตัดต่อพันธุกรรมอย่างเช่น อ, อะไรนะเอามา้าแบบลาผสม ก, กันกระเ็นชื่ออะไรนะลอกใช่ไหมอยู่ได้นานไหมครับ ก็เลยไม่เข้าใจคําว่า น, นิ่งของเขาเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่เดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับมนุษย์ต่อๆไปครับไกลนะครับอ่าเข้าเรื่องจิมโอนิดนึงนะครับจิมโอคืออะไรเป็นกรอสซอรี่คร่าวๆนะครับจิมโอก็คือการตัดแต่งทางพันธุกรรมนะครับโดยการเอายีนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใส่ชิงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการอย่างเช่นเอา ยีนการทนความหนาวเย็นของปลาครัวโลงนะครมาผสมกับมะเขเทศทําให้มะเขเทศปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้การนํายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใสใไ่ไว้ในยีนของถั่วเหลืองเพื่อให้ทนทานต่อยาปราบวัชพืชการนํายีนจากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้ต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนนี่ครับคือการตัดต่อพนันธุกรรม GMO นะครับปัจจุบันมันก็เยอะมากๆแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสิ่งที่เรากินในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นรู้จักปลาแซมอนไหมครับ ปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วนะครับเดืเเอนธันนะครับออกออกมาถแถลงแล้วว่าแซลมอน GMO เตรียมขึ้นโต๊หมายความว่าอะไรครับก็ได้รับการยอมรับได้รับการอนุมัติผ่านแล้วว่าสามารถกินได้เพราะฉะนั้นแซลมอนที่เรากินกันปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น GMO หมดแล้วแล้วมันทําไมเขาถึงเอาพันธุ์นี้เข้ามามันเป็นพันธุ์ที่ตัดแต่งบรรทุกรรมทําให้มีเนื้อโตเร็วกว่า2เท่าและตัวใหญ่กว่าปกตินี่คนี่คือปกตินี่คือ GMO มันก็ทําให้อุตสาหกรรมการการ อาหารเนี่ยพวกนี้มันก็โตมากขึ้นใช่ไหมครับเลี้ยงเท่าเดิมได้ผลมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ก็เลยแพร่หลายกันผลกระทบยังไม่เกิดนะครับยังไม่มีข่ามาพืช GMO มีอะไรบ้างครับเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันถั่วเหลืองก็ GMO นะครับที่ผมเอามาให้ดูคือข้าวโพดข้าวโพดก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึงนะครับถูกตัดต่อทางพันธุกรรมโดยการนํายีนของแบคทีเรียนะครับเข้าไปในในยีนของเมล็ดข้าวโพดทําให้มีคุณสมบัติ โหดมากนะสร้างสารพิษต่อมแมงที่เป็นศัตรูพืชได้เมื่อมแมลงมากัดกินข้าวโพดมแมลงก็จะตายมันมันมันมันไม่ใช่ป้องกันนะมันสร้างสร้างสารพิษที่มาป้องกัดมาฆ่ า, มาแมลงอะนะครับตะกี้ที่เราดูเนี่ยที่เราดูฟู้ดอิงอะครับข้าโพดนี่แหละถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมแล้วบริษัทนั้นนั้นก็ขายยาปราบศัตรูพืชใช่ไหมครับ เฉพาะถ้าเป็นพันธุ์อื่นมาใช้จะทนไม่ได้แต่พันธุ์เข้าโพดทิพซื้อจากเขาเนี่ยจะทนได้ก็เรื่องเดียวกันนะครับแอนจารย์แดงมรดกพงษ์ชูรสนะครับก็อย่างที่บอกเยอะแยะในในอาหารที่เรากินนะครับจริงๆแล้วถ้าเราออกไปหากินตามข้างทางเนี่ยหรือว่าร้านอาหารที่เรากินมิว่าก็คงยากที่เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องเนี้ยต่อให้มีงานวิจัยหรือข่าวออกมาว่าพงษชูรสไม่ดีต่อร่างกายถูกไหมครับแต่มันมันกลับกันอะ่ะเพราะว่า ตลาดผงชูรสในประเทศไทยอะครับการการจเจริญเติบโตสิบถสิห้าปอร์เซ็นทุกปีและเขากําลังจะขยายโรงงานด้วยตอนนี้นะครับตอนนั้นดูข่าวช่องก้าวมั้งเจ้าของบริษัทออกมาคุยเลยบอกว่าตอนนี้แบบกําลังก้าวหน้าไปอย่างมากธุรกิจเติบโ ต, ตมากนะครับคิดว่าตงคงต้องขยายโรงงานมันไม่ใช่เราไม่เราไม่ไมันไม่ใช่เราไม่เ a าแว e เราไ ม, าาไม่คิดถึงแต่ว่าคนคนหนึ่งที่เป็นผู้บริโภคคิดถึงใช่ไหมครับก็สู้กับบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องผลิตเนื้อ หรือว่าอาหารออกมาขายตามตลาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาใช้เรื่องพวกนี้เขาก็ซื้อเป็นแมสอะนะครับมันก็เลยโตขึ้นเรื่อยๆแล้ ว, ลวร่างกายเรากำจัดสารพวกนี้ออกไปยังไงนะครับนี่ยผมจริงๆผมทํำไมมันร้อนมากเลย r e l ครับนี่จะนี่หายใจไม่ออกแล้วเนี่ยไ ด, ได้ได้นะครับขอบคุณครับโอเคต่อเลยระบบกําจัดของเสียนะครับมีอยู่4ทางในร่างกายคนเรานะครับใต้ผิวหนังลำไส้ใหญ่ปอดนะครับปอดคืออะไร ก็คือการหายใจของเราเนี่ยแหละครับอะไรออกมามั่งอะคาร์บอนไดออกไซด์น้ำใช่ไหมครับกาจัดของเสียมีอะไรอีกครับผิวหนังผิวหนังอะไรออกครับเง่อถูกไหมครับขับสารพิษขับน้ำขับและธาตุที่ไม่ต้องการออกมาทางเงือเหงือนะไม่ใช่เงือก <laughs> แล้วก็ไตไตลำไส้ใหญ่กระตบับจริงๆจะเน้นสามเรื่องนี้เลยเก็บไว้ทีนะครับของเสียคืออะไรนะครับของเสียหมายถึงสารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม เมตาบอลิซึมคือกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยูเรียเป็นต้นนะครับเราต้องเราร่างกายเราจะจะมีเมตาบอลิซึมตลอดเวลาครับมันก็ต้องมีของเสียเกิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอหน้าที่ตรงนี้ทํางานตลอดเวลาไ <c oughs> ตาทําหน้าที่อะไรครับฟอกเลือดนะครับขับของเสียทางปัสสาวะนะครับอะไรที่เกินไปแล้วไตรับไม่ไหวก็จะถูก ขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะก็เป็นอวัยวะหนึ่งในการขับของเสียออกจากร่างกายนะครับส่วนตับนะครับตับก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่กําจัดดูแลเรื่องการกําจัดของเสียออกจากเลือดนะครับแล้วก็ร่างกายด้วยเยอะมากๆจริงๆแล้ววินพูดแค่เนี้ยเหมือนไม่ให้เกียรติตับเลยแต่ตับเนี่ยมันเป็นถ้าพูดประโยชน์มันนะฮือเยอะมากนะครับแต่นี่คือหัวข้อที่ตรงอะที่วินกําลังจะพูดนะครับอร่อยด้วยเหรอตับเป็น power house ของร่างกายหมายความว่าอะไรสร้างพลังงาน เก็บพลังงานสร้างฮอร์โมนแล้วมีผลมากๆในในการที่เราจะมีชีวิตต่อไปครับเขาบอกว่าตับเราทำงานแค่สิบเปอร์เซ็นตะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าตับเราถูกตัดออกไปห้าสิเปอร์เซ็นมันยังคงสามารถทำงานของมันได้ร้0ยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอะโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ะมันมันถึงทำงานได้ยี่บสี่ชั่วโมงตลอดเวลาแบบนี้ครับนะครับตับมีหน้าที่กำจัดของเสีย ที่ร่างกายเราได้มาจากอาหารหรือสารอาหารที่เรารับเข้าไปเช่นยาแอลกอฮอล์คนที่กินแอลกอฮอล์มากๆแล้วตับแข็งนู่นนี่นั่นก็คือเนี่แหละครับตับนี่คือเป็นตัวกําจัดแอลกอฮอล์ไ้นะครับกาแฟสารที่เป็นพิษเคยกินเคยได้ยินข่าวคนกินยาจนตับเสื่อมไหมครับเคยไหมยังไม่ถึงวายเอาเสื่อมก่อนมีใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนที่แบบเป็นเบลิงไอ้เป็นเป็นเบาหวานนะครับเบาเบาหวานเป็นเบลิงแล้ว เบาหวานเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกินยาเกินขนาดแล้ตับเขาก็จะวายนี่แหละเนื่องจากเขาต้องกินยาเพื่อไปดูแลอาการอาการหนึ่งแต่ยา น, นั้นก็ให้ผลโดยการที่ต้องให้ตับเราขับขับออกมาครับถูกไหมครับมันมีหน้าที่ทําลายสารพิษเพราะฉะนั้นดูแลตับดีๆนะครับอะไรที่สามารถช่วยดูแลได้เนี่ยพยายามดูแลส่วนนี้เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเป็นใหญ่อันดับสองอย่เป็นอันดับสองของร่างกายด้วยอันดับหนึ่งคือผิวหนัง น, <c oughs> นะครับพวกนี้คือกระบวนการกําจัดของเสียในร่างกายที่เกิดขึ้นซึ่ง ร่างกายเราสุดยอดอัจฉริยะนะครับใครที่ใช้วินว่าซ m มซ n g ก็อาจจะมีนะครับแต่แต่ขอเล่า iPhone เพราะว่าวินวินแปลพวกนี้เลยเห็นแอปนะครับไอโฟนเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่คนใช้จะถูก p e r s o n อร์ z e ถูกทำให้เป็นบุคคลโดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเราพิมพ์เราจะพิมพ์คำว่าผ่านอย่างเงี้ยครับตอนแรกเราอาจจะต้องพิมพ์ทั้งคำอะผอผึ้งไม่เอกสาอานนูใช่ไหมครับหลังๆเนี่ย เราพิมพ์แค่ผอผึ้งไม้เอกสะระอามันจะขึ้นคำมาให้เราเลือกว่าผ่านหลังๆเราพิมพ์แค่ผอผึ้งเข้าไปมันจะขึ้นคำมาแล้วว่าผ่านมันจดจําว่าเราทําอะไรบ้างครับหลายๆคนนะครับที่ร่างกายผิดปกติจนแบบน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าร่างกายเราฉลาดนะครับเวลาเราทําอะไรร่างกายเราจดจําเราจดจําร่างกายเราจดจําถ้าเรากินยาถ่ายทุกวันตอนแรกมันอาจจะถ่ายเยอะหลังๆร่างกายเราจะปรับให้ถ่ายปกติ ทานทางที่เรากินยาถ่ายแล้วพอเราหยุดกินจะกลายเป็นท้องผูกนึ้ออกไหมครับมันฉลาดมากๆครับหรือว่ามีน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นผลไม้ที่มาจากประเทศอินน่าจะอินเดียนะครับเป็นไม้ป่าหายากให้ค่าออร์รกสูงถึงประมาณหนึ่งแสนอแร์รกถือว่าเยอะมากๆนะครับบูเบอรี่ทับทิมอยู่ที่สามพันหนึ่งแสนี่มันกลายเป็นซเปอร์ฟู้ดแบบสุดยอดไปเลยนะครับ แล้วคนก็ไปคนพบแล้วก็เอามาเป็นอาหารเสริมกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติวันนี้เราทานออลแคลร์หนึ่งแสนออลแคลร์รเข้าไปครับเกินเกินกว่าที่ร่างกายต้องการชัวนะเนื่องออกไปครับร่างกายเราต้องการไม่ได้สูงขนาดนั้นแค่สี่พันห้าพันเองครับแล้วเราทานหนึ่งแสนร่างกายเราฉลาดนะครับจดจําจดจําสุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าทานต่ำกว่า น, นั้นอาจจะไม่ได้อะไรเล ย, เลยด้วยซ้ำํำอันนี้คือการวิเคราะห์เฉยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรกับร่างกายเรานะครับก็อยากให้อยากให้รู้ว่ามันมีผลตามมาครับ เราไม่กินข้าวมื้อไหนตอนแรกๆอาจจะหิวหลังๆนะครับร่างกายจะชินเพราะมันจํากระบวนการดีท็อกซ์คือการนําของเสียหรือสารพิษออกจากร่างกายสิ่งนี้นะครับเกิดตลอดเวลาในร่างกายเราแต่ว่าคนเรามาใช้คําเนี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบร่างกายเรากําจัดของเสียได้ไม่ดีจริงๆไม่ใช่ร่างกายเรา ก, ากําจัดกําจัดของเสียได้ดีสุดๆนะครับทุกช่องทางที่มันออกมาได้เนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆแต่ ชีวิตเราที่มันเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้ไอตับที่มันควรจะทำงานได้ร้อยเอร์เซ็น์มันก็ลดลงตไตที่ควรจะทำงานได้ร้อเ็นมันก็ลดลงลำไส้ใหญ่ที่ควรจะทำงานได้ร้อยปเซ็นมันก็ลดลงมันเลยมีคนคิดคนว่าเออทําไมเราต้องดีท็อกนะครับอ่าผมเล่าให้ฟังการดีท็อกโดยการใช้ชีวิตจิตก่อนละกันเคยได้ยินไหมครับดีท็อกโดยการกินชีวจิตก็แนวคิดง่ายๆมันคือการลดสารอาหารนะครับชีวิตจิตคืออะไรครับคือไม่กิน เนื้อกินแต่พืชผักผลไม้นะครับคําถามต่อมาคือแล้วอะไรจะขาดถ้าเรากินแต่พืชผักผลไม้ครับโปรตี น, ตนถูกไหมครับได้จากถั่วเหลืองนี่คําถามคือต้องกินถั่วเหลืองขนาดไหนถึงได้โปรตีนพอกับที่ร่างกายต้องการเนีครับเพราะฉะนั้นคนที่กินชีวิตจิตนะครับขาดโปรตีนทุกคนขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เขากลับมากินเนื้อสัตว์นะครับเขาจะอ้วนทันทีเนื่องจาก โปรตีนมันใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วพอมันมันร่างกายเราได้น้อยลงร่างกายเราฉล า, ฉลาดอย่าลืมนะครับมันจะจดจําว่าโอเคเราได้โปรตีนน้อยลงในแต่ละวันเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยสําคัญมากๆต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการเผาผลาญอาหารเราจะลดลงมวลกล้ามเนื้อเราจะลดลงเพราะว่าโปรตีนไม่มีครับโปรตีนมันซ่อมแซมสร้างพวกเซลล์อะครับคนที่แบบเนื้อแดงเนื้อแดงหมายถึงกล้ามเนื้อนะครับเนื้อขาวคือไขมันเอางี้แนละ้วกัน ก้ามเนือ้อและไขมันคนที่กล้ามเนื้อเยอะๆจะเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยนะครับเพราะว่ามวลกล้ามเนือ้อเผาผลาญได้ดีกว่ามวลไขมันเดี๋ยวเราจะได้ฟังตอนรอบพี่กิ๊ดนะครับคือเรื่องเรื่องโรค้วนนะครับนั่นแหละครับพอเรากินชีวิจิตเข้าไปเราขาดสารอาหารแน่นอนอีกหลายๆอย่างที่เราควรจะได้จากเนื้อสัตว์แต่เราไม่ได้มันคือคือการลดสารอาหารนี่เองนะครับต่อไปมีอะไรครับน้ำผักผลไม้ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับหูเปิดดูเนี่เป็นลานนะครับน้ำผักผลไม้นะครับ เอาผักลงไปปัน่นปอกเปลือกมัง่งไม่ปอกเปลือกมั่งนะครับสุดท้ายนะครับมันดีหรือไม่ดียังไงบางคนไม่อร่อยก็ใส่น้ําตาลเพิ่มก็มีนะครับผักผลไม้ก็ดีครับปั่นเอาไปแต่เราอย่าลืมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากกินส้มที่ส้มมีวิตามินซีรู้ใช่ไหมครับส้มมีวิตามินซีนะครับถ้าเราอยากกินวิตามินซีจากส้มให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องทำไงรู้ไหมครับเราต้องไปที่ฟาร์มส้มนะครับที่ปลูกด้วยออร์แกนิกด้วยนะไม่ใช้สารเคมีและต้นไม้ต้องใช้อัล ให้สารอาหารต้นไม้มันเต็มๆแล้วผลออกมาแบบสวยๆไปตอนตีสี่เด็ดป๊บเข้าปากเลยห้ามปอกเปลือกห้ามทําอะไรทั้งสิน้นแบบนั้นอะ่ะวิตามินซีครบร้อยเปอร์เ็นเนื่องจากวิตามินซีแพ้แสงแดดมันถึงเขียนไงครับว่าให้เก็บไว้ในที่มืดเนี่ยครับแล้วส้มเนี่ยเด็ดออกมาไม่เข้าปากเราเลยป่ะครับไม่เนาะมันก็ผ่านกระบวนการขนส่งตุก ๆ, ๆ, ๆนะครับเจอแดดเจอนน่นเจอนี่เจ อ, เจอมลพิษมาถึงเรานะครับก่อนกินเราทําไงครับล้างสารอาหารหายไปกับน้ำแล้ว นะครับล้างเสร็จทำไงครับเรากินเปลือกส้มไหมครับเราทำไงครับปอกสารพกษสาเคมีของส้มอยู่ที่เปลือกส้มนะปอกไปเหลืออะไรครับผลแล้วเราก็เอาไปปั่นบางคนก็กินผลคลายกากสุดท้ายได้แต่น้ําส้มอะ่ะซึ่งมีวิตามินซีเหลืออยู่อาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นครบไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าครบต่อร่างกายไหมเพราะร่างกายแต่ละคนมันต้องการอาจจะไม่เท่ากันไงนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เวลาเรากินน้ำผักผลไม้แล้วเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยว่ามันมันจะดีหรือไม่ดีไงเรากินครบหรือเปล่าห้าสีเราต้องห้าสีห้าหน่วดเราต้องปั่นขนาดไหนอคิดดูนะปั่นห้าหน่วยอะนะครับการสวนทวาน้ำขอไปเร็วๆสวนทวานก็แบ่งเป็นสองวิธีสวนลำไส้และลำไส้ส่วนปลายใช้คำถูกนะลำไส้ส่วนปลายกับลำไส้สวนต้นเนี่ยลำไส้สวนต้นต้องใช้เครื่องมือแพทย์แล้วก็แพงกว่าเยอะและอีกอย่างหนึ่งการสวนลำไส้วิธีเนี้ยก็เป็นการทําให้ ล้างลำไส้แต่ไม่ได้ล้างทางร่างกายการดีท็อกซ์ที่ดีควรล้างทางร่างกายนะครับของเราเนี่ยจะใช้สารอาหารที่มาจากธรรมชาติในการทําให้ระบบกําจัดของเสียในร่างกายทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมล้างพิษที่ใครอยากทําเนี่ยเดี๋ยวในสไลด์มีผมแชร์ให้ฟังนะครับตอนผมทาโปรแกรมนี้ยจริงๆผมบอกพี่ลินะผมทำแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยรู้อย่างเดียวคือถ่ายดีขึ้น พี่ลินบอกว่าแค่นั้นก็เกินพอแล้วเพราะวินเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะมาก่อนนะครับแล้วระบบขับถ่ายนี่แบบไม่เคยมีคําว่าท้องผูกครับคือท้องเสียตลอดพอดีท็อกไปเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ในร่างกายก็อยู่ที่ลำไส้ใหญ่ด้วยซ้านะครับก็เดี๋ยวลองดูศึกษาได้ผมว่าดีแน่นอนนะครับสุดท้ายจะมีอะไรให้ดูดีไหมครับโอเคการเอาขึ้นมาเลยอ่านี่เป็น วิตามิน B. วิตามิน b นะครับนี่คืออะไรครับเบียร์นะครับเบียร์วิตามิน B บรอ่าผมใส่เบียร์เข้าไปในวิตามิน B วิตามิน B ของนีเทลไลน์นะแฉลบบีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวลองเอาไปดมนะครับใครใครกล้าชิมก็ชิมได้ถ้าใครกิน <What? S 1> Beer, เบียร์ใส่วิตามิน B ครับใส่ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองชิมดูเราจะรู้สึกว่าแอลกอฮอล์มันหายไปเยอะมาก ตะกี้ผมลองทำแก้วข้างหลังนะครับชิมดูแอลกอฮอล์ไม่มีแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมแอลกอฮอล์นี่คือเรื่องของสารอาหารที่มันเกิดขึ้ น, นครับไอ้นี่คือผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าเหมือนน้ำส้มเลยนะครเพราะฉะนั้นใครต้องเที่ยวยามจำเป็นก็พวกวิตามินดีไปได้นะครับช่วยอาการแห้งแล้วก็ยับยั้งการดูดซึมแอลกอฮอล์ได้ด้วยโอเคมีอีกหลายอย่างไฟเบอร์นี่ก็สุดยอดนะครับคือดีท็อกซ์เนี่ย ดีท็อกซ์เนี่ยถ้าใครไม่เคยทำวีแนะนำอยากให้ลองทำจริงๆมันคือการล้างเครื่องนะครับร่างกายเราใช้มา20ปี30ปีไม่เคยล้างเครื่องเลยนะครับลองล้างดูสักครั้งโดยที่ไม่ต้องสวนทวารแต่เกิดจากการใช้สารอาหารทำให้กร ะ, ระบวนการตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ขับออกมาได้นะครับก็ขอแค่นี้ครับขอขึ้นไมคให้ MC แล้วกันนะครับขอบคุณครับ โหเป็นไงบ้างคะข้อมูลพี่วินสุดยอดไหมคะวันนี้<ช>โหตั้งแต่ GMO ทั้งอาหาร1ิอันดับที่เป็นอันตรายที่สุดใช่ไหมคะแต่ที่พี่วินบอกมานี่คือของชอบเราเลยโ <c oughs> หแบบน่ากลัวามากมากเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็พี่น่าทำไมขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเวิ้งเนงๆน่อยๆอะไรใช่ไคะก็ขอลืมขอบคุณนะคะคนที่เปิดโอกาสให้ขึ้นมาเป็น MC วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ลินนะคะคุณลินันศาเฉกูลขอบคุณค่ะ โอ้ยมิหนาทำไมพูดตะกุกตะกักตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะก็เมื่อกี้ที่เราฟังข้อมูลนะคะคร่าวๆของเรื่องของอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการเอ่อล้างพิษเป็นเป็นในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะสาหรับท่านต่อไปนี่สุดยอดมากมากๆาโอ้โหเพราะว่าพี่ท่านนี้นะคะก็เป็นอาจารย์ของพวกเราเองใช่ไหมคะแล้วก็เรียนจบมานะคะไม่ได้จบจากข้างๆบ้านเราใช่ไหมคะจบจากจบเตรียมแพทย์นะคะจาก UCLA เลย โอ้จบจากอเมริกาใช่ไหมคะแบบแล้วข้อมูลวันนี้คือตื่นเต้นมากเห็นพี่ลินนะคะนั่งดูสไลด์ข้างหลังนี้เราแอบเละเละไปเละมาตาจะเละไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นสไลด์พี่ลินเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ฟังพี่ลินวันนี้นะคะเพราะว่าข้อมูลทุกทุกอย่างที่พี่ลินเตรียมมารับรองวันแน่นมากๆเลยรับรองว่าทุกคนนี่จะตื่นเต้นแล้วก็ทะลึงกับข้อมูลที่พี่ลินหามาโอ้แอบเห็นนี้ได้หน่อยนะคะสไลด์นะคะเดี๋ยวฟังแต่ก่อนนะคะ ยุดขโมนให้ให้ความสนใจคนบนเวทีก่อนนะคะค่ ะ, คะก็ระหว่างที่รอเตรียมสไลด์ใช่ไหมคะแล้วก็ แต่ก่อนนะคะไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ของการดีท็อกซ์เลยใช่ไหมคะพี่ลินพี่วินก็คือบอกว่าเอ๊ะทาไปก็รู้สึกเฉยๆนะแต่เมืม่อวานคุยกัน พ, พ, พี่ลินบอกว่าโหยเฉยๆได้ไงรู้ไหมว่าเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยโอ้เราฟังเอ๊ะสำคัญยังไงเราก็ปกติเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมาดูใกล้ๆนะคะ แก้มต่ก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยสิวเนาะบุมบุมเนื่องจากเป็นคนที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแต่พอได้มากินนีทิลไลใช่ไหมคะก็สิวเนี่ยก็คือเริ่มลดลงเป็นเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเราอืแล้ว เ, เราที่รีบบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าระบบขับถ่ายเนี่ยมีมีความสําคัญคือในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยโอซึ่งข่าวหน้านะคะคนพูด ครั้งต่อไปในวันเสาร์นี้เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วไม่มีแฟนเอาไม่ใช่นะคะก็เป็นแท็กเองนะคะที่จะคอยให้ขึ้นมาให้ความรู้ใช่ไหมครับก็เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันรับรองว่าข้อมูลนี้จะต้องสุดยอดมากแล้วก็อัปเดตมานะคะโอ้โหนี่เป็นการกดดันตัวเองไปไปส่วนหนึ่งเลยนะคะก็ สำหรับวันนี้ใช่ไหมคะสไลด์ก็พร้อมแล้วคุณพูดก็ตื่นเต้นมากมากเลยนะคะได้ข่าวว่าข้างหลังนี้โดบ xx ไปแบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะแบบตื่นเต้นแบบอยู่ข้างหลังเวทีแบบดุ๊กดิ๊กตลอดเวลาะคะเห็นพี่ลินแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะมาแบ่งเป็นข้อมูลกับให้เพื่อนๆแบบเยอะมากๆเลยะคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะให้เกียรติพี่ลินหน่อยนะคะก็คือลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับนะคะพี่ลินนะคะคุณลิลพัฒน์สัจพจน์นุกูลคะ่ะ เจอกันอีกแล้วเจอกันทุกรอบเลยรอบวันจันทก็เจอวันสุกรก็เจอวันอังคารยังเจอนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เราก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้มาดูแลสุขภาพด้วยกันใช่ไหมคะเพราะว่าลินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ลินคิดว่าพวกเราทุกคนนะควรจะให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเวลาวันที่เราป่วยนะเอาแค่เป็นหวัดเฉยๆเรนเชื่อเลยนะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไม่อยากป่วยเลยเซ็งมากเลยโอ و, ้โหไปไหนไม่ได้วันนี้พ่อเรนนะอยากทําฟันก็อยากทําฟันนะคะเป็นหวัดก็เป็นหวัดเนื้อออกไหม อ, อุตส่าห์ให้เินโทรไปถามหมอกวางบอกว่าเนี่ยไปทําฟันวันนี้ได้ไหมหมอบอกว่าถ้ามาอ้าปากอยู่แล้วจมูกหายใจไม่ออกจะแย่มากเห็นไหมคะเรนซิว่าถ้าสมมุติว่าป่วยขึ้นมาเนี่ยจะทําฟันยังลําบากเลยจริงป้ะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงเราจะมาตกลงกันว่เาเราจะโต้อตอบกันนิดนึงดีไหมคะ <Yeah. S 1> ดีไหมคะพี่ดอม <Yeah. S 1> ดี <laughs> พี่ดอมจะโต้อตอบด้วยลิปสติกสีแดงแชทนะคะ <laughs> นะไม่ต้องใช้อะไรเยอะอ้าล่ะก็วันนี้ใช่ไหมคะเรามาคุยเรื่องดีท็อกซ์กันนะคะ เ, เมื่อกี้นี้วินก็ได้เล่าเบื้องต้นให้พวกเราฟังไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในในการดูแลสุขภาพเริ่มจากอะไรบ้างใช่ไหมคะ คือวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็คือจริงๆน้องๆเ <c oughs> องยี่สิบกว่ายี่ิบต้นๆยังไม่ค่อยคิดอะไรหรอกแต่เรนจะบอกว่าพอสามสิกว่าแล้วเรนคิดว่าต้องคิดแล้วละ่ะนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ายิ่งเราเป็นคนที่แบบอยู่ใช้ชีวิตในสมัยยุคสมัยใหม่ๆใช่ไหมคะมื้อกลางวันดอตนอรนนท์านอะไรอ่ะคะกลางวันกระเพราไก่ไก่ G M O ป่ะคะไก่เมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมคะที่ออกแบบมาให้เนื้อหน้า อ, อกใหญ่ขึ้น เอ๊ะทำไมเขาไม่ GMO คนผู้หญิงบ้างเนาะเขาไม่ GMO อ่ะเขาใส่เสริมทีหลังนะใช่ไหมคะถ้า GMO ผู้หญิงคงดีเนาะออกมามีพันแบบพี่น้องยิ้มออกแล้วอยากถูก GMO บ้างนะคะก็ใครอยากมีภรรยา GMO ก็ว่ากันไปนะคะก็นั่นแหละนะคะก็คือเราก็มาเริ่มต้นจากการที่ทัน กะเพาไก่ใช่ไหมคะเมื่อเช้าทานอะไรไหมคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าอ๋อท่านทานอาหารเช้าด้วยโอ้สุดยอดมีหน้าฉลาดนะคะแล้วมื้อเย็นนะคะแล้วคะมีอะไรบ้างมาม่าเขาไม่นับเป็นมื้อเมื่อกี้น้องวินบอกไอติมค่ะอะไรอีกไหมคะ เขาคุยสินยอดมากโอเคค่ะวันนี้พี่ดอมทานอะไรคะเข้าเย็นเอ้ยยังไม่ทานโอเคไม่เป็นไรนะคะพี่โอทานยังคะทานแล้วทานอะไรเอ่ยฟิชนชิปนะคะไม่เป็นไรคะ่ะฟิชทอดไปพอแล้วคะ่ะชิปหายไปแล้ว <c oughs> นะคะอ่าโอเคนะคะก็เรามาทำความรู้จักกับ ร่างกายเรานิดหนึง่งชลีละนะคะในข้างในนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรู้แขนขาหน้าตาจมูกปากใช่ไหมคะเรียนตั้งแต่เด็กแล้วเนาะนี่อะไรนี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยนี่อะไรอยู่ตรงไห น, นไม่รู้มันดีจิ้มหัวใจก็จิ้มผิดใช่ไหมอืมนะคะก็แต่ว่าเราจะไม่ได้รู้เรื่องระบบอื่นเลยวันนี้นะคะเนื่องจากว่าดีท็อกส์นะคะเป็นส่วนที่เรื่องเออันนี้เดี๋ยวเนื่องจากว่าส่วนที่สําคัญมากๆในร่างกายเราน ะ, ะส่วนที่สําคัญมากๆเลยดิไม่นับเรื่องสมองเนาะ แต่ว่าผลกระทบจากการที่เราไม่ดูแลระบบทางเดินอาหารเนี้ยจะมีผลกระทบกับสมองนะคะแบบพวกโรคอัลไซเมอร์พวกอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะมีผลกระทบจากการที่ตับทำงานไม่ดีพอเลือดที่ส่งไปเลี้ยงใช่ไมคะพวกสารพวกเหล็กพวก heavy metals คือโลหะหนักนะะโลหะหนักพวกนี้มันจะทำให้ไปวิ่งขึ้นมาอยู่บนสมองเรา พอาไปอยู่มากๆสะสมมากๆเข้านะคะก็ทำให้เราเกิดโรคร้ายๆเกี่ยวกับทางสมองได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลระบบทางเดินอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีขอขอพอยเตอร์นิดหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้มันเป็นพอยเตอร์แบบนี้อันนี้แบบท рад ิชันอลนะคะพวกเราก็รู้นะว่าจริงๆแล้วเวลาเราทานอาหารเข้าไปใช่ไมคะแป้งก็ถูก แป้งเนี่ยก็ถูกย่อยสลายในปากเราอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีอนะคะมีการย่อยแป้งอยู่ในปากเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็คือพวกน้ำเมือกต่างๆมิลค์้ัสกับเสเตชทอะไรต่างๆของเราพวกนี้ก็จะดักไอ้พวกสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ไม่ไม่ควรทําให้เราขาาออกมามาติดอยู่ที่คอเราหรือว่าเป็นแบบมั น, น้ำมูกอะไรพวกนี้คือสิ่งที่กรองไม่ให้มันเข้าไปในระบบร่างกายเรานะคะ ต่อมานะคะก็คือเข้าไปที่กระเพาะใช่ไหมคะพอเข้าไปที่กระเพาะเสร็จมันก็จะทําลายหมดทุกอย่างไม่ได้ทาลายหมายถึงว่าย่อยสลายทุกอย่างทั้งโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะอ่าย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะส่งต่อไปที่ลําไส้เล็กลําไส้เล็กหรือว่าคนทั่วไปเรียกลาไส้ยาวน ะ, ะ small intestine ตัวนี้นะคะก็คือจะทําการย่อยสลายต่อนะคะย่อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือใช้การใช้กรด แต่กรดในกระเพาะของเราเนี่ยนะคะไม่ได้รุนแรงเท่ากรดในกระเพาะของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่กินสองประเภทใช่ไหมคะเป็นความบังเอิญไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นจริงๆถูกสร้างมาเพื่อกินผักใช่ไหมคะแต่ว่าผักนในที่สุดแล้วมันก็กินได้ไม่ครบอะ่ะเศ้าไหมถ้าคิดถึงจะต้องกินผักตลอดชีวิตนี่แบบตายเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าเนอะใช่ไหมอยากกินเนื้ออยากกิน ใช่ๆยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ใตยอยู่แถวนี้เลย <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของออถึงไหนแล้วอ๋อเราเราไม่ได้เป็นสัตว์ที่ทานเนื้อวัวไปน เ, เนื้อสัตว์เป็นเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็คือทานผักและทานเนื้อสัตว์มันก็คือมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆฟันเราเป็นฟันที่ทื่อใช่ไหมคะเหมือนพวกมา้าเห็นไหมมอม้มากัดเคี้ยว เนาะอืมแล้วก็เล็บเราก็แบนๆใช่ไหมคะไม่ได้แหลมเหมือนพวกแมวเหมือนพวกเสือนะแล้วก็เกรดในกระเพาะเราก็ไม่สูงมากเท่ากับกรดในกระเพาะของสัตว์พวกนั้นนะคะขากรรไกเราก็ติดกันไม่จำเป็นต้องไปงับคอใครยกเว้นดาวไลท์ใช่ไหมคะเออไม่ใช่นะก็ประมาณนี้นะคะก็คือนี่คือเหตุผลว่าโอเคนี่คือซัพพอร์ตให้พวกเรารู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการกินผัก ถ้าเรายังไม่กินผักใช่ไหมคิดเราก็ควรจะเริ่มกินผักมากขึ้นอานะคะ <c oughs> นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออ่เราก็จะเห็นแล้วนะคะมันก็จะมีะกระเพาะใช่ไหมคะแล้วก็มีลำไส้เล็กแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็ไปที่ลำไส้ใหญ่ทีนี้มันจะมีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมของเรานะคะก็คือจะมีทั้งตับตับอ่อนแล้วก็ถุงน้ําดีในส่วนในการช่วยในการย่อย นะคะแล้วก็การที่ดูดน้ำออกมาจากลาไส้ใหญ่นะคะก็จะไปผ่านลตับผ่านตับเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะส่วนที่เหลือก็ผ่านน้ำส่วนที่เหลือก็ไปผ่านไตแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบของปัสสาวะและอุชาระนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกทางเดินอาหารนะคะที่นี้วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องดีท็อกซ์นะคะอย่างที่ลินบอกว่าเวลาเราอาบน้ำาอาบน้าทุกวันไหมคะ เนาะไม่ใช่คนที่เบสใช่ไหมคะคนที่เบสเขาปีหนึ่งอาบน้ําที่อาบน้ำสองครั้งในชีวิตเอาพวกที่อยู่ในปาร์เลยพวกนี้ที่อยู่บนเทือกเขาเขาบอกว่าอาบสองครั้งตอนเกิดกับตอนแต่งงานโอ้พระเจ้าช่วยตอนแต่งงานอาบนึกออกไหม <laughs> ถ้าแต่งงานกับมันมันไม่อาบกูตายแน่แล้วก็โอเคนะคะ <laughs> แต่งงานสองครั้งในชีวิตไอ้แต่งอาบน้ำสองครั้งในชีวิตนะคะถ้าไม่ได้แต่งงานอย่างลินนี่ส่านนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลย <laughs> นะคะเศร้ามากก็เรายังอาบน้ำใช่ไหมคะแปรงฟันก็แปรงฟันทุกวันเนาะไม่แปรงฟันสักสองสามวันอย่าเงี้ยขึ้นเครื่องบินบินไปบินมาโหกลับมานี่ปากนา้าเตอะเลยใช่ไหมเขาสึกแบบหูอะไรก็ไม่รู้ขอเอาผ้าลูดหน่อยนะคะอืมเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อันนี้เนี่ยเออแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปนะคะเรากลับไม่ค่อยคิดอะไรกับการล้างมันออกเราคิดว่าการปัสสาวะและการ ขับถ่ายของเราตามปกติเนี่ยมันช่วยสามารถเอาออกได้แล้วในแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะคือบางสิ่งบางอย่างนะหลายหลคนบอกเอ้ยวาทำไมเดี๋ยวเมื่อก่อนนี่ปู่ย่าตายายอายุยืนเนี่ออกไหมคะช่วงยุคก่อนหน้านี้นะดิไม่นับในช่วงแบบเนื่องหมช่วงที่มีโรคระบาดแบบมีอะไรแบบพวกทีบีทวักโครสวันโรคอะไรพวกนี้เนื่องไหมไวรัสสมัยก่อนโปลิโอบ้าบอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่นับโรคเราเหล่านั้นนะ เอาแค่ประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วนะคะคนในเจเนอเรชันนั้นเนี่ยมีอายุค่อนข้างยืนแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่านั่นคือเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้จัก KFC จริงไหมแต่เรารู้จัก KFC ตอนเราไปอินเดียนะคะไปซื้อเล่นกับนกไปมุมไบไปมุมไบเสร็จปุ๊บเดินไปซื้อ KFC หิวมากเพราะว่าไม่อยากกินอาหารบนเครื่องบินนะก็เลยลีบเดินไปซื้อ KFC คนขายบอกว่าไม่ขายให้เธอไม่ขายให้นกท้องกินละอันตรายรู้ไหมเฮ้ยเจ้า คนในร้านยังรู้อ้กล้องมีไว้เนี่ยโดนไล่ออกแน่นอก็คือแบบดูสิแบบแค่ขนาดคนที่ทำงานอยู่ในนั้นนะคะเขายังคิดเลยว่าไม่เหมาะสมสำหรับคนท้องกินโอ้โหน่ากลัวมากเสร็จและ้วเลนลพัทก็ซื้อซั์หน้าตาเฉย <laughs> นะคะก็คือเราจะมีสารพิษที่เกิดขึ้นทั้งสองส่วนเมื่อกี้นี้ได้ยินวินพูดไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็คือ e n d t o x ินก็คือเกิดขึ้นจากการเผาผลาญระบบเผาผลาญอาหารของเรา แล้วพาผ่านอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษอะไรเหลืออยู่ใช่ไหมคะคือเอาเอ า, เอาทุกสิ่งไปต่อกันไปติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช้เสร็จแล้วส่วนที่เหลือที่มันเป็นเศษเศษเนี่ยก็เคลียร์ทิ้งโดยที่ตับก็ไปพิจารณาว่าอินเวนทอรี่อันไหนเต็มแล้วอันไหนยังไม่เต็มอันไหนไม่ได้ก็ทิ้งไปซะอันไหนที่พอจะเก็บได้ก็เก็บไปเก็บไว้ในไขมันใช่ไมคะไปเก็บไว้ในไขมันหรือยังผู้ไม่จบนะไปเก็บไว้ในสมองแล้วไปเก็บไว้ในระบบประสาท นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายเราไม่รู้ทำไมมันมีสตอร์เรจอยู่ข้างบนนี้เยอะหรือเปล่าเนีกยหระพื้นที่เก็บของมันก็เลยเอาท็อกซินเนี่ยไปเก็บไว้ในสมองแล้วตรงระบบประสาทนี่คือฉันไม่เข้าใจแต่ทำให้เลินเข้าใจชัดเจนเลยนะคะว่าทำไมมีโรคแบบอย่างเช่น Multiple Sclerosis ใช่ osis, ใชหมคะก็คือเป็นโรค ก, การเสื่อมของระบบประสาทใช่ปะหรือว่ายังจะเป็นโรคแบบพวกอลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโรคพาคินสัน ก็เกิดขึ้นจากการที่มีท็อกซินสะสมเยอะเกินไปอยู่ในระบบประสาทและระบบสมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ดีท็อก์นะคะมันไม่ใช่แค่ไปอยู่ในไขมันเราแต่ข้อนี้เดี๋ยวดินอ่ะอย่าลืมเอาสไลด์นี้ใส่ละเป็นสไลด์ อ, อีกอันหนึ่งที่ที่เรนหามานะคะก็คือการที่เราใช้ทานอาหารที่มันเมื่อวๆนนี้เขาคุยกันเรื่องแอสปาร์เทมแอสปาร์เอมเนี่ยเป็นน้าตาลเป็นน้าตาลเทียม ะะที่อยู่ในพวกสว e ตเซอรลโลอยู่ในพวก Eco, อีโครู้สึกอยู่ในอีโคเพราะว่าเพราะว่าสวิตอรลโลมันมีชื่อหนึ่งแซครินแซครินแล้วก็ตอนหลังมีอันใหม่ชื่อสเปนด้ามันก็จะมีแบบชื่อทางการค้าต่างกันแต่ว่าคือชื่อทางเคมี Me มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะไอ้พวกน้ำตาลเทียมทั้งหลายเนี้ยจริงๆแล้วทำให้ตับเราทำงานหนักขึ้น เพราะเราคิดว่าเราจะประหยัดแคลอรี่โดยการกินโค้กซโร่ใช่ไหมคะปรากฏว่าร่างกายเราต้องไปต้องตับเนี่ยต้องออกแรงเพิ่มขึ้นอีกสองสามเท่าเพื่อที่จะทำลายหรือว่าเบร d ดาวหรือคือย่อยสลายไอตัวแอสบาร์เทมเนี่ยเพื่อให้ออกจากร่างกายเราไปได้ส่วนใหญ่แล้วออกก็ออกไม่หมดสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่มันเอาไปจัดเก็บเนี่ยมันก็เผลอเอาไปจัดเก็บอยู่ในไขมันด้วยไขยมันเนี่ยพอเวามีสารพิษเยอะเกินไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไขมันก็จะยิ่งโตหรือว่าจะแตกตัวแล้วเพิ่มเซลล์ไขมันในร่างกายทาให้ร่างกายเราอ้วนขึ้นก็ไม่แปลกใจนะทำไมน้องนัดบอกว่าอุตส่ากินโคกซีโร่อยู่ตั้งนานทำไมไม่ผอมลงสะทีนา่ารู้งี้ซัดโคกเพียวๆเลยดีกว่าใช่ไหม <Hey. S 1> <laughs> จริงๆนะเดี๋ยวนี้เลยไม่ทานเลยนะคะพวกโคกซีโร่ พอลุสึกว่ามันไม่มีประโยชน์ทํารทรให้ร่างกายเราทํางานหนักกว่าเดิมแค่เอาให้มันเผาผลาน้ําตาลที่มันกินเข้าไปเนี่ยให้มันจบจบไปซะก็โอเคแล้วแต่ว่าควบคุมปริมาณที่ดื่มนะคะเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยเรียนคิดว่าการดื่มน้ําตาลเยอะเกินไปนะเรนมีคุณลุงคนนึงเข้ามาในคอร์สแบบนี้นะคะเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วก็ดีใจมากที่เขาเข้ามาเพราะว่าเป็นคนที่เบาหวานสูงมากเหตุผลเพราะว่าหน้าทุเรียนจะทานทุเรียนหนึ่งลูกทุกวัน จนหมดหน้าทุเรียนเป็นคนรักการกินทุเรียนอย่างรุนแรง <laughs> นะคะ <laughs> เขาทานทุเรียนเยอะมากเลยไหมคะนึกว่าพู น, นึงเลยก็จะตายอยู่แล้วอะนึกออกไหมบวกกับร้อนในที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์ข้างหน้าใช่ไหมคะอืมเสร็จแล้วต้องกินบังคุดต่ออยกิโลนึงกว่าจะกว่าจะหักล้างกันได้นะคะอ่ะ endotoxin ก็คือผลของการที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นสารเป็นสารไม่ใช่สารพิษแต่เป็นสารตกค้างจากการเผาผลาญอาหาร อันที่สองก็คือเอ็กโซท็อกซินนะคะโอ้เ oh, อ็กโซท็อกซินนี่มีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้น้องนุวินพูดถึงผงชูรสเนาะผงชูรสจะมาจากมันสัมปะหลังแท้ไม่แท้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในขบวนการผลิตของมันเนี่ยมันก็ถ้าเป็นผลเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะกินอยู่แล้วเนาะ มันจะมีเรื่องพรีเซอร์เวทีฟใช่ไหมคเมื่อก่อนนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะใช้การการเก็บอาหารเนี่ย mm hmm. เขาจะมีสารต่างๆในการเก็บอาหารไอสารต่างๆในการเก็บอาหารพวกเนี้ย mm hmm. ก็เป็นสารพิษที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยคือมีความเสื่อมโทมลงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเนี้ย mm hmm. เขาจะใช้วิตามิน C ที่สกัดจากข้าวโพด mm hmm. ใช่ไหมในการ mm hmm. ที่เรา mm hmm. เห็นไหมคะเมื่อกี้นี่มีแอสคอร์บิกแอใช่ไหมคะ mm hmm. เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของของวิตามิน C mm ี hmm. เขาก็จะใช้สิ่งเนี้ยแหละไปในการพรีเซิร์ฟอาหาร เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะของพวกนี้วิตามินซีเลยพวกนี้มาใช้ทําแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิตามินซีแบบที่แอบสอบได้ทันทีแล้วอย่างหนึ่งคือสารพิษที่เกิดขึ้นมันหักล้างกันไม่ทันเหมือนกับโปรตีนที่อยู่ในนมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะกับเอแคลเซียมที่อยู่ในนมมันไม่สามารถที่จะชดเชยกันได้นั่นแหละว่าปริมาณโปรตีนมันเยอะเกินไปที่จะมาใช้แคลเซียมแค่นิดเดียวเพราะเนี่ยคือเรากินอะไรเข้าไปมันเราไม่รู้ว่าความสมดุลของมันอยู่ตรงไหน ใช่ไหมคะวาเวลาเรากินเราก็คือกินนอะเนาะลินคิดว่าเวลาเรากินเนี่ยเราคงไม่มานั่งคิดอ่ะอนี่นี่นึกออกไหมอย่างเนี้ยปกินข้ า, กาวกบเพาไก่ป้าไก่ออแกนิกไหมนึกออกป่ะป้ า, ปากระตบด้วยกระทะเลยดอกเตอร์กับดอกเตอร์ใช่ป่ะเออจริงป่ะคะคือเขาไม่ได้มานั่งสนใจว่าตกลงคือใช่หรือไม่ใช่เป็นอะไรหรือไม่เป็นเขารู้แต่ว่าเขาจะทําอาหารกินเนี่ยแล้วเราต้องกินถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องกินจริงจริงอะ ใช่เรามานั่งระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือลินคิดว่าเมื่อตัวลินเองเนี่ยตอนนี้ก็คือฮิตทำอาหารมากชอบทําอาหารจากไอคุกสนุกมากเลยเพระรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็รู้สึกว่าได้อาหารที่แบบคือลินใสปริมาณน้ําตาลกับเกลือกับน้ําตาลกับน้ําปลาอะไรพวกนี้นื่องไหมคะคือแบบในปริมาณที่น้อยมากอะ่ะแล้วทานอาหารแบบออกจะจืดๆหน่อยแต่ว่าเรารู้ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ย หมูที่ใช้ทำํำเราก็ซื้อออร์แกนิกมาใช่ไหมคะมันจะนิกจริงไม่นิกจริงก็ซื้อนื้อออกไหมคือความสบายใจไว้ก่อนใช่ไหมรู้แต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อหมูปริมาณเท่ากันในตลาดมันจะแพงกว่าประมาณสามเท่าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแล้วได้กินผักใช่ไหมคะผักที่อยากทานก็ทานเนื้อออกไหม ค, คือแบบซื้อมาผักให้หลากหลายหลา ย, ลายๆสีนะคะทานขิงทานกระเทียมทานอะไรพวกนี้สดก็ได้ทําอาหารทานเองแล้วก็ดีเหมือนกันเนอะเป็นไดมอนนี่ เนาะมีเวลาทําอาหารกินเองใช่ไหมคะ <laughs> นะคะโอเคก็เอ็กโซท็อกซินนะคะมีหลายอย่างมากบางทีไอ้พวกโลหะหนักอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายเราตลอดเลยจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาให้รณรงค์แก้ซ่อมไอ้พวกสารอุดฟันที่ใช้ที่เป็นเหล็กๆอะ่ะอืมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือปลอดห้าสิเปอร์ซ็น นะคะแล้วก็ตัวประหลอดนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้บล็อกการดูดซึมวิตามินบีอ่านะคะเขาก็าแบบมีแอสส OCIATION ของมันเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นโรค depression ะคือขี้หงุดหงิดใช่ไหมวิตามินบีนี่มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งทำให้เราล่าเริงแล้วก็แก้แห้งได้ดีใช่ไหมเมื่อกี้นี้เอ้ยประสบการณ์ลินนะโดยตรงเลยนะคะก็คือตรงมากๆเลยไปฉลองวันเกิดสนสนคือสามีนุ้ยใช่อืมที่อเมริกา ก็เอ๊อยู่นิสอยู่ด้วยปะยังไม่เกิดตอนนั้นยังไม่เกิดยังไม่เกิดแอมเวยยังไม่เกิดแอมเวยแต่ว่าหมายถึงว่าคือเขาก็ลินก็ไปงานวันเกิดเซร์มีแบงก์มีหนุ่ย ม, มีอะไรพวกเนี้ยก็ไปนั่งก็ไปนารยาตอนนั้นยังไม่มีเฮฮาเฮงนะคะไปนารยากันเสร็จแล้วเนี่ยก็กินเหล้าคนนั้นก็ชนคนนี้ก็ชนช น, ชนไม่หมดเลยเนี่ยเอตื่นมาแบบโอยเสินปวดหัวมากไปไหนไม่ได้ขอ น, นอนก่อนเซิร์นเซนบอกว่าจิงเหอทาําไงอะ นี่ผมมีวิตามินบป่ะเขาบอก บ, บ, บแบบเม็ดหมดอ่ะมีแต่ xs xs กระป๋องหนึ่งรูทเบียร์กินแก้วเดียวนะเอ้ยกินกระป๋องเดียวหายปวดหัวเป็นปริดทิ้งอะ่ะ<ด>คือร่างกายเราขาดน้ําขาดวิตามิน B ใช่ไหมคะการไม่แทบรายสุกอย่างไม่ปกติพอกินบเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเหมือนเหมือนจะช่วย flush ตับไปน็นระดับหนึ่งร่างกายเราก็ทํางานปกติขึ้นง่ายมากเลยใช่ป่ะนี่ยเราก็ได้เห็นทําไมแฮงค์ไข่ดีมากใช่ไหมคะ แต่คุณภาพของวิตามิน B ตรงนั้นเราไม่รู้ไงคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเขาทํามาจากอะไรเนาะโอเคเอ็กโซท็อกซินมีหลายชนิดมากการกินเหล้านะคะตับเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพตับกันแต่เอาไป็ว่าตอนนี้รินคุยเรื่องดีทอลคร่าวๆก่อนนะคะก็คือสิ่งที่จะช่วยทําให้ตับทํางานได้ดีนะคะก็คือมีวิตามิน B ใช่ไหมคะมีแร่ธาตุพวกแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรพวกนี้นะคะมีประโยชน์กับมีประโยชน์กับตับมากเพราะว่ามันจะช่วยพาเอาพวก โลหะหนักออกจากร่างกายถ้าทําปฏิกิริยาทางเคมี Me เนี่ยโลหะหนักใช่ไหมคะมันก็จะบอนดิ้งกับพวกพวกแร่ธาตุพวกเนี้ยแล้วมันถึงจะพากันออกไปข้างนอกได้เพราะมันพากันออกไปข้างนอกใช่ป่ะมันก็ร่างกายเราก็ขาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานเพิ่มถูกไหมคะเพราะร่างกายเราขาดมันขาดความสมดุลเดี๋ยวยังอื่นจะเจ๊งไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทานแร่ธาตุนะคะแล้วก็ไบโอฟลาวเนอร์น้อยกูท่าไตาโอนเนี่ยก็คือสารต้านอนุมนูลอิสระต่อมานะคะขั้นตอนที่สองเราก็ต้องการกรด อะมิโนใช่ไหมคะให้ร่างกายเราเนี่ยคือเพิ่มเติมโปรโตีนให้ร่างกายเราไปสรรสร้างเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกธาตุอย่างอื่นแล้วก็มีกรดอะมิโนอย่างอื่นที่ทำให้เรานะคะทางานฟังก์ชันได้ปกติขึ้ น, ส, น, ส, นส่วนส่วนที่3ามนะคะจะเห็นพวกนี้เป็นส่วนต้านอนุมูลอิสระเยอะเลยนะคะพวก Q10 ทพวก c อซิเลเนียมนะคะก็เกี่ยวกับภูมิต้านทานด้วย Copper ร์ n ิการทำงานของของระบบ ของเราทั้งหมดรวมทั้งไบโอฟลาวเวอนอยด์และกรูธาไตโอนแล้วเพราะฉะนั้เนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของการกําจัดท็อกซินในร่างกายเราโดยสังเขปอันนี้คือเรื่องของการที่เราดูว่าตับไม่ปกติกับตับปกตินะคะในการทํางานเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าตับเราทํางานไม่ปกติมันจะเอาเอาสารพิษพวกเนี้ยกลับเข้าไปในตับกลับเข้าไปในเลือดแล้วทําให้เราเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ยสารพิษทั้งหมดจะกลับไปสะสมเนี่ยเห็นไหมในสมองกับในไขมัน เราก็อาสารพิษไปสะสมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเืยๆคือมันไม่เกิดขึ้นค่ำคืนอ่ะอย่างที่ฉันชอบบอกมันเหมือนกับแบบว่าเราดูหนังจีนนึกออกปว่าเราวางยาวางยาใส่สารหนูทีละนิดนึกออกปะในอาหารกินแล้วไม่รู้สึกพอกินไปถึงวันที่เจ็ดนึกออกปะโอ้โหทีนี้กับลมปานแตกซ่านนึกออกปะ <c oughs> เออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากทีละนิดทีละนิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปีที่เท่าไหร่ที่มันมีผลกระทบกับเราอ่ะ น ะ, ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าให้แนะนำเนี่ยจะบอกว่าเราควรจะทำการล้างตับเนี่ยนะคะทำความสะอาดตับนะคะสักปีละครั้งอ่านะคะนี่คือสภาพของตับปกติหน้าตานี่ฟ r อน t v วิ w นะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะมีซ้ายมีขวานะคะอ่าซ้ายขวาทำงานยังไงไม่รู้รือว่าตับมันก็ทำงานคล้ายๆกันหมดนะคะคล้ายๆกันหมดแล้วก็ตรงนี้คือถุงน้ำดีใช่ไหมคะอ่านี่คือตับไม่ปกติ นี่คือตับที่มีไขมันพอกอยู่ไขมันพอกเหล่านี้นะคะก็เกิดขึ้นจากแคลอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกินแอลกอฮอล์นะคะการกินแอลกอฮอล์การกินยาการกินทรานส์แฟตการกินซาชอร์เรตแฟตไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ทั้งหลายน ะ, ะมันก็ทำให้ไขมันมันมาพอกตับอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเกิดจากการกินไวน์แดงคุ้มไหมคะพลิฟีโนคือ เราบอกอุ้ยจริงๆแล้วกินแล้วต้านอนุมูลอระช่วยให้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงก็มีวิธีทําให้หัวใจแข็งแรงหลายวิธีนะคะเนาะวายแดงอาจจะไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุดก็ได้นะคะ <laughs> เอาเป็นว่านะคะเราก็ไม่รู้ว่าตับเราแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็รับสภาวะของการกินไวายแดงได้ขนาดไหนอันนี้คือผลจากไวายแดงโดยตรงเลยนะคะ ต่อมานี้ก็คือเนี่ยแหละก็คือการแอบบิสโดยการกินน้ําตาลที่ไม่ดีกินเหล้าเล้านะคะแล้วก็กินพวกไขมันกรดไขมันต่างๆที่มันไม่ควรจะกิน trans fat ในอาหารมนุษย์นะคะไม่มีนะคะเกิดขึ้นจากอาหาร p r o c e s เท่านั้นอาหาร p r o c e s คืออาหารที่ย่อยออกมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเล อ, อ, อ, อ, อย่างเช่นโอริโอ้นื้อออกไหมคะอย่างเช่นคิดแคทอะไรอย่างเงี้ยของอร่อยๆทั้งนั้นนหะนะคะของอร่อยๆทั้งนั้นของที่ชอบกินทั้งนั้นเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยลินจะเดินเข้าไปเซเว่นนี่ก็หยิบเละก่อนเลยเนี่ยวั่นแหละก็คือบอกเกิดของสิ่งที่จะทําให้เกิดอย่างนี้กับตับของเรานะคะก็ทีนี้เนี่ยเวาจะบอกมันมีมันมีการดีท็อกซ์ของร่างกายทั้งหมดสี่ระบบใช่ไหมคะมีเรื่องระบบเหงื่อใช่ปะะ่ะคะมีเรื่องระบบขับถ่ายใช่ปะ่ะก็คือลำไส้แล้วก็ตับนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะตาย นะคะทั้งหมดสี่ระบบนะคะก็ <_ an> คือผิวหนังของเราในเวลาเราออกกาลังกายสังเกตไหมคะมีบางคนที่แบบแพ้เหงื่อตัวเองเคยเห็นไหมที่เหงื่อออกเสร็จเป็นสิวบ้างหรือเหงื่อออกเสร็จเป็นผื่นหรือเหงื่อออกเสร็จเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีระบบการกจัดสารพิษของเขาหรือสารพิษในร่างกายมันเยอะเกินไปพอมันผ่านออกลูกขุมขนมามันก็ทําให้อักเสบถูกไหมอ่านะคะส่วนที่สองก็คือตับเมื่อกี้นี้เราก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะตับนี้เป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นประสาทเลยแม้แต่เส้นเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปวดหัวได้ปวดหัวใจได้เนื่อออกไปะปวดอะไรได้แต่ปวดตับไม่ได้วันนี้ปาไม่ได้ให้ปวดตับจะต้องขาดเซนเตอร์เพราะปวดตับเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้ออ้างนี้อย่าใช้นะคะก็โอเคไม่มีไม่มีเส้นประสาทใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้อีกทีเมื่อไตวายเอตับวายแล้วนะคะหรือว่าคือเราไปตรวจพบนะคะหรือว่าเราจะเห็นที่สภาวะของผิวเราร่างกายเรา เพราะว่ามันจะคลายทุกอย่างออกมาอยู่ในไขมันใช่ไหมพอคลายออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตัวเราจะเหลืองตาจะเหลืองอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาเรื่องตับน ะ, ะอะไรเหลืองๆทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องตับนะคะแต่ว่าสุดท้ายเอ่อเรื่องของไตนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะในการกําจัดสารพิษทีนี้สิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ว่าเราควรจะทําความสะอาดทั้งหมดเลยร่างกายเราเนี่ยก็คือควรจะดีท็อกซ์ในส่วนระบบทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าผิวหนังเนี่ยถือเป็นปลายทางที่สุดแล้ว คือนั่นคือเหมือนกับสุดทางแล้วพราปกติเราเหงื่อออกเราก็แค่เค็มอะ่ะถูกไมหมคะก็เสียน้ำํำนะน้อยคนมากนะที่จะแบบโอ้โหออกออกมาแล้วดําปี๋อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีไมหมคะใครเหงื่อออกดําไม่มีอะ่นะเนาะเราไม่เคยเห็นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีมีมีระบบดีท็อกซ์อันนึงที่แบบไปแช่เท้าอะ่ะแล้วน้ําออกมาเป็นสีเขียวเป็นสีสนิมเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงอะไรหีด้วยนะ นึินก็ยังงงอยู่เลยว่ามันมันมาจากไหนนึกออกปะคือคิดไม่ออกว่าตกลงเวลาเราดีท็อกซ์เอาเท้าไปแช่น้ําเนี่ยนะคะไม่ว่าน้ำจะมีสารเคมีอะไรก็ตามมันมันทํายังไงให้มันมีออกมาแบบนั้นได้เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะทีนี้นี่ก็คือมาทําความรู้จักกับลําไส้ลําไส้นี้นะคะเป็นส่วนที่ทําให้ภูมิต้านทานของเราซึ่งเราจะมาคุยกันในครั้งหน้าก็คือเรื่องของภูมิต้านทานเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดถึง 80% ของภูมิต้านทาน ถ้าภูมินั้นทานเราดีนะคะแสดงว่าลําไส้เราแข็งแรงเมื่อกี้นี้ที่วินพูดทีแรกินมันคือทีแรกวินบอกว่าพี่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกขับถ่ายดีขึ้นแต่ลิไม่ได้ถามเขาว่าก่อนหน้านั้นขับถ่ายเป็นยังไงถึงป่ะเสร็จแล้วตอนหลังพอมาคุยกันเสร็จบอกอ๋อเมื่อก่อนนี้ผมท้องเสียตลอดเลยคือน้อยนับครั้งน้อยครั้งมากที่จะแบบถ่ายเป็นเป็นเป็ น, นเออปกติ <laughs> ก็จะบอกลักษณะแนละ้วปกติขอบคุณค่ะนะมีน้อยครั้งมากที่จะถ่ายปกติส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาปกติของเขาคือท้องเสียแล้วนีนก็สังเกตเห็นนะคะคือแบบ ว, ว่าสมมติเราไปทานข้าวกันเนี่ยวินจะแบบอะไรของมันเนื่ออกว่ากินเสร็จเข้าห้องน้ําแล้วเป็นอะไรกลับมาท้องเสียท้องเสียท้องเสียจากอะไรวะเนืงง่องว่าท้องเสียง่ายมากแล้วก็ป่วยง่ายมากคือถ้าท้องเสียเสร็จแล้วอาการตามมาคือไม่สบาย ก็ต้องกลับบ้านนอนแล้วผมหายใจไม่ออกผมเจ็บคอผมนู่นผมนี่นึกออกปะอืมผมแตกปลายแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเสร็จแล้วทีนี้เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเวลาเขาดีท็อกซ์เสร็จก็คือก่อนคอสที่แล้วนะประมาณเดือนมิถุนายนะวินก็ไปดีท็อกซ์กับคุณแม่เสร็จแล้วเขาบอกว่าค้นพบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าท้องเสียไม่เป็นแล้วตอนนี้ถ่ายปกติโอ้โหนี่เป็นบุญมากเลยนะคะการถ่ายปกติเนี่ยจริงๆนะคือเป็นสิ่งที่แบบ คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีบางคนที่เวลาทำดีท็อกซ์เสร็จนะคะจะรู้สึกหรือช่วงทำดีท็อกซ์จะรู้สึกว่าฟ resh มากจะรู้สึกว่ามี energy เยอะมากนึกออกไหมคะอย่างเช่นพวกยกเวทอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยจะต้องดื่มอะไรหวานๆก่อนเพื่อให้ได้ energy ทำไมได้พลังงานปรากฏว่าพอทำดีท็อกซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคือยกน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้เฉยเลยนึกออกไหมคะจากเดิมเนี่ยคือไม่ว่าจะฟิตแค่ไหนก็ตามก็คือยังยกน้ําหนักได้เท่าเดิมแต่พอเขาทำดีท็อกซ์เสร็จแล้วหลังจากนั้นทําให้เขายกกกนนน้น้้ําาหัไดมขึ ก็รู้สึกว่าเออโอเคนี่คือนี่คือถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเราทํางานปกติถ้าเราล้างตับของเราให้ทํางานได้ตามปกติลองคิดดูนะคะว่าเหมือนเราเหมือนเราจะวิ่งแข่งร้อยเมตรใช่ไหมคะเราวิ่งแข่งร้อยเมตรเราก็แต่งตัวใส่รองเท้าผ้าใบเสร็จเรียบร้อยเนื้อไหมเราก็สะพายคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหลังนื้สะพายโน้ตบุ๊กอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะมือก็ถือของกระเป๋าสะพายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ปะ รวมทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยมันเหมือนกับเวลาเราเราเวลาเรามีเวลาตับเราทํางานไม่ปกติอ่ะมันเหมือนร่างกายเรากาลังวิ่งด้วยภาระเยอะแยะมากมายคือมันจะต้องพยายามไปกําจัดสารพิษด้วยมันต้องพยายามทําให้เลือดปกติความสมดุลของสิ่งต่างๆที่อยู่ในเลือดธาตุอาหารสารอาหารต่างๆใช่ปะ่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่มันมีทุกอย่างไปอยู่ในนั้นหมดเลยคือมันก็จัดการบริหารอะไรได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรีเซตระบบของเราภายในสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คือเรื่องลําไส้นะคะ ลำไส้ในเวลาอาหารเข้าไปมันจะเป็นอันนี้คือไส้ติ่งเนาะ mm hmm. อยู่ตรงนี้ตัดไปไม่มีผลลินตัดมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดนะคะจนบัดนี้ก็ก็ยังยังใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะไม่ต้องตกใจเวลาตัดไส้ติ่งนะคะหมอเดี๋ยวนี้ใช้ผ่าเวลาห้านาทีกรีดเสร็จปุ๊บแหวกเสร็จมาถึงตัดชุบหนีบออกมาเสร็จเย็บเสร็จเรียบร้อยเร็วมากนะคะก็อันนี้คือระบบลาไส้มันเป็นรอนๆ อ, อย่างนี้นะคะก็คือเพื่อให้มันมีเวลาในการดูดน้ําออก ถ้าสมมุติว่าแบคทีเรียนะคะหรือว่าพวกโปรไบโอติกทั้งหลายในร่างกายเรามันปกติร่างกายเรานีมีแบคทีเรียนะมีแบคทีเรียอยู่เป็นแบคทีเรียดีเป็นเพื่อนเราเหมือนแลกโตบาซิลัสค่ะแต่มีหลายชนิดเนาะแต่ละชนิดก็อยู่ในช่วงๆของลําไส้ไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะต้องทานไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อให้มันเข้าไปสร้างความสมดุลข้างในถ้าเราสมดุล น, นะคะผู้หญิงอย่างเงี้ยที่เคยเป็นยีสต์เป็นอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ความสมดุลของแบคทีเรียจะทำให้ pH ทุกอย่างปกติและจะทำให้ผนังนดูดซึมน้ำดูดน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้ น, นลำไส้เราแล้วก็การขับถ่ายของเราก็จะปกติคือจะออกมามีรอยน้ำบ้างจมน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดทั้งสองแบบนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องของลำไส้นี่คือลำไส้ที่ไม่ปกตินะคะด้านขวาแล้วก็ไม่ปกติอีกนะคะ ปกติมันจะต้องรอนเท่าๆกันใช่ไหมคะมันจะมีไม่เท่ากันแล้วมันก็จะมีพวกที่มันมีแบบเขาเรียกว่าโพลเล็เป็นแบบเหมือนติ่งออกมาบางทีเกิดจากแบบแบคทีเรียไม่ดีเข้าไปก่อกวนทําให้เกิดการอักเสบขึ้นพออักเสบขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นติ่งถ้าเขาเอา ก, กล้องส่องเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วเขาเห็นมีติ่งแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่หมอจะขอตัดออกแล้วก็มาเทสเพราะว่าโอกาสที่มันจะลามไปเป็นมะเร็งลําไส้เนี่ยจะสูงมากนะคะ อ่านี่ก็คือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเป็นเป็นภาพของของลำไส้จําลองเนาะจะมีหลายหลายประเภทโรคมา ก, ก็คือผนังลำไส้เกิดผิดปกติแล้วก็อักเสบขึ้นมาบ้างมีสารตกค้างที่ตกอยู่แบบพวกอะไรที่มันเป็นกาวเป็นน้ํามันเป็นเหนียวเนียวนึกออกไหมที่เราทานเข้าไปหรือว่าบางทีพวกทรานส์แฟตพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปติดอยู่ในลำไส้เราคือมันไม่ใช่ทรานส์แฟตเราแต่หมายถึงว่ามันเป็นไขมันชนิดนึง ที่มันเข้าไปติดอยู่ตามผนังลำไส้แล้วเราทานไฟเบอร์หรือทานผักไม่พอที่จะกวาดมันออกไปแลนะพอเราทานคือเราทานไฟเบอร์ไปเนี่ยไฟเบอร์มีหน้าที่เหมือนแม่บ้านเนี่ยอาอย่ามาถึงเนี่ยมันจะมีทั้งละลายน้ํากับไม่ละลายน้ําถูกไหมนะไฟเบอร์ละลายน้ําไม่ละลายน้ําพอทานเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวละ ล, ะลายน้ําเนี่ยเป็นข้อดีมากสําหรับคนเป็นเบาหวานนี่ควรจะกินอย่างยิ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะไปดูดเอาน้ําตาลส่วนเกินที่เรากินเข้าไปส่วนน้ําไอ้ไม่ละ ล, ะลายน้ําเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนแบบ เดี๋ยวละลายน้ําเหมือนแบบเยื่อแอปเปิ้ลเนี่ยเหไหมคะวัเราเคี่ยวแอปเปิ้ลใสรปุ๊บมันก็จะมีเยื่อหรือนแล้วกัดเอาน้ําออกอะ่ะจะมีเยื่อที่มันยุยยุยตรงเนี้ยคือละลายน้ําไอ้ไม่ละลายน้ําเนี่ยจะเปรียบเสมือนแบบเปลือกของคณาเคยกัดคณะที่มันแก่ๆ แ, แล้วลูดออกเนี่ยเหไหมคะอืมเปลือกคณะนี่คือไม่ละลายน้ําเราควรจะกินแต่ว่าบางทีมันไม่อร่อยอะ่ะ ตัว no. อย่างเราก็จะทานก็อย่างที่รินบอกเนี่ยก็พยายามทานสักปีละครั้งนะคะการทานเจนะคะไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้คือลินจะบอกว่าการทานเจเนี่ยคือถือซะว่าเราทําบุญแล้วกันเนื่องว่าหนึ่งช่วงเวลาสิบวันที่เราจะไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่อันตรายมากเลยเพราะว่า processed food เยอะมากเนื้อเกษตรอะคะ่ะไก่เกษตรอะคะ่ะทุกอย่างเกษตรหมดเลยะคะ่ะใน process ของการทําให้มันเป็นเกษตรเนี่ยมันคือ process ไหนเนื่องว่า แล้วก็อีกอย่างนึ่งการทําเนี่ยคือส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเยอะมากแล้วก็จะมีการห้ามใส่เรื่องต่างๆเช่นกระเทียมเพราะเป็นมีกลิ่นใช่ไหมคะนี่จะบอกผักที่มีประโยชน์ที่สุดในการดีท็อกซ์ร่างกายเรานะคือกระเทียมกับผักชีอย่างเงี้ยแล้วเป็นสองผักที่ถูกห้ามในาการทานเจเพราะถ้าเราคิดว่าเราจะกินเจได้สุขภาพด้วยได้บุญด้วยเอาบุญไปอย่างเดียวพอนะ อย่าไปยุ่งกับสุขภาพอยากกินสุขภาพนะคะกินไฟเบอร์นะคะแล้วกินกระเทียมเม็ดไปนะคะในช่วงกินเจ <Okay. S 1> มีคนเคยทานเจนะคะแล้วก็กลับมาคือเป็นเดิมเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นความดันอยู่แล้วแล้วก็พอทานเจได้อาทิตย์หนึ่งนะคะก็แอดมิดเลยน้ำมันเยอะเกินไปนะคะโอเค ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทานเจประเภทไหนอะเนาะเพราะว่าเจเฟสติวัลมันทั่วเมืองไปหมดเลยเราจะไปโทษอาหารเจอย่าเงเดียวก็ไม่ได้อา จ, จะเป็นที่เวนเดอร์ที่เขากินหรือว่าเป็นอะไรบางเอิญนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือไลนิ่งของของลำไส้เรานะคะก็คือเนี่ยเวลาการดูดซึมต่างๆแล้วก็มีพาราไซต์ที่ไปกินแบคทีเรียที่มาโจมตีพวกผนังลําไส้นะคะของเรา <c oughs> อย่างเช่นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วก็เป็นแบคที ria ใช่ไหม อืโลคกระเพาะเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยกรดในกระเพาะเราเนี่ยมันไปกัดผนังทําให้ผนังเนี่ยเป็นแผลจริงๆแล้วมันไม่ใช่กรดถ้ามันกัดมันกัดไปนานแล้วเนี่ออรอปะเข้าใจความหมายไหมคะกรดในกระเพาะเราเนี่ยนะคะมันก็มีมันก็มีพ h ชค่าเท่าเดิม่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราหิวเวลาเรากินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาเพิ่มแต่ว่าถ้าลำถ้ากระเพาะเราไม่สามารถรองรับไอความเป็นกรดในกระเพาะเราได้มันก็พังไปนานแล้วดิ ไม่เหาปาแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งค้นพบมาเมื่อประมาณสักห้าถึงเจ็ดปีที่แล้วนะค้นพบว่ามันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวแบบเนี้ยเป็นแบคทีเรียไม่ดีที่ไปโจมตีผนังซอมไส้แล้วทำให้กรดเนี่ยมันไปทำลายไอ้ส่วนที่เป็นชั้นรองที่มันรั บ, รบกรดได้อ่านะคะ นี่ะก็คือการที่เรามีลำไส้ที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่ามีมีการพอกของไขมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้การทำงานของลำไส้เราไม่ปกติแล้วก็จะทำให้เราเป็นโรคได้ง่ายนะคะมีปัญหาได้เยอะนะคะน ะ, นะคะนี่ก็คือลำไส้ที่ไม่ เนี่ยก็คือมีพวกพอลิสมีพวกอะไรไขมันต่างๆที่ไปพอกติดอยู่แล้วคนที่ทานไม่ทานผักหรือไม่ทานไฟเบอร์มากเพียงพอนะคะก็อาจจะเกิดได้บางทีมันก็เกิดขึ้นจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่สมดุลเรามีเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีมากกว่าเชื้อแบคทีเรียที่ดีใช่ป่ะเราต้องเชื้อแบคทีเรียดีเราเป็นเป็นเป็นแบคทีเรียที่ใส่ดีอะมันไม่ลาหลานชาวบ้านนึกออกป่ะเหมือนก็ทําหน้าที่ช่วยเราย่อยอาหารทำความสะอาดให้ผนังมันปกติดีใช่ไหมคะ เหมือนไอปลาซัคเกอร์นึกออกปะปลาที่มันไปดูดพวกพวกตะไคร่น้ําออกจากกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มียุ่งกับใครอ่ะแต่วันดีคืนดีดันไปเลี้ยงกับทิกเกอร์ฟิช้กเกฟิชมันฟัดกินา <laughs> อ่ก็จบชีวิตไปแตอย่างเงี้นนะคะก็เหมือนกันแต่พวกแบคทีเรียไม่ดีมันก็จะมาคอยละลายในตัวแบคทีเรียดีนะค ะ, อ, ะอันนี้ก็คือการส่องกล้องเข้าไปในลําไส้ของลําไส้ที่ไม่ปกตินะคะก็ อย่าให้มันเป็นอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้แลวมันต้องเป็นแบบนี้สวยใสใช่ไหมคะ like เห็นผนังเส้นเลือดสวยงามนะคะแล้วก็เวลาขับถ่ายออกมาแล้ว oh, นะคะหรือว่าเวลาเราถ่ายถ่ายหมดแล้วเนี่ยต่อให้เราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีไม่ได้มีอุจจาระของเราไปเลอะอยู่ที่ผนังนะเวลาเราถ่ายออกมาหมดแล้วเนี่ยนะคะถ้าถ่ายถูกต้องแล้วถ่ายดีเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแตนี่ไม่ใช่แบบว่าโอ๋ยต้องไปล้างท้องแล้วถึงจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะ นี่คือสภาวะปกติหลังการขับถ่ายเสร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราจะเป็นกันแบบมไม่ขนาดนี้หรอกนะเอาเป็นว่าแบบมันจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแล้วกันนะคะอ่าทีนี้เวลาเราทํางานก็ต้องทํางานพร้อมกันสองด้านการที่เราให้ลำไส้เราทํางานปกติเราเราอยากจะทําความสะอาดตับเราก็ต้องทําให้ลำไส้มันทํางานดีด้วยมันจะให้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทํำทําแต่ความความสะอาดตับอย่างเดียว พอถึงตอนที่เราอาหารมันไม่ดูดซึมนึกออกไหมคะคือสมมติตรงนี้มันดูดเอาน้ําคือดูดเอาเขาเรียกว่าอะไรนะมันจากจากอาหารที่เราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันต้องดูดเอาไอผนังลําไส้มันจะดูดเอาสารอาหารดูดเอาน้ําออกแล้วก็ไปกรองผ่านไตใช่ไหมคะช่วงที่มันดึงตรงนี้ออกเนี่ยนะคะแล้วมันไปกรองผ่านตับกับไตคือถ้าสมมุติว่าเรายังยังคงไม่กวาลําไส้แล้วมันดูดซึมไม่ดีสมมุติว่ามีอะไรตกค้างอยู่ในเนี้ย เหมือนที่เราถ่ายเวลาเราถ่ายแล้วอะไอ้น้ำในนี้ถ้าเกิดเราอั้นเขาบอกว่าในการอั้นใช่ไหมอั้นอั้นต้องไม่อั้นเกินสามครั้งอะคือเวลาโดนโจมตีเราต้องไปให้เร็วที่สุดอะนออกมคนะกย <c oughs> อยากเก็บเอาไว้อะบางคนหวงเนะงกขี้เหนียวอยากเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะปรากฏว่าตอนที่มันดูดน้ำออกอะมันดูดเสร็จแล้วมันรีไซเคิลกลับไปที่ตับเท่ากับตับทำงานสองรอบ แล้วตับเนี่ยคือกรองสิ่งที่สกปรกมากขึ้นรอบแรกมันกรองมันยังมีของดีบ้างใช่ป่ะคะรอบสองของดีน้อยมากมีแต่ของเสียแสดงว่าตับทํางานหนักกว่าเดิมปะทํางานหนักกว่าเดิมเหมือนเราเอาเหมือนเราเอาน้ําน้ําฝนไปกรองเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคไปล้างจานเสร็จแล้วก็ไปกรองใหม่อีกรอบหนึ่งเนอะบอกว่าใช้กรองเครื่องกองน้าก็ทํางานหนักกว่าเดิมนะก็เหมือนกันแหละก็คือสุดท้ายแล้วไอ้น้ำที่เราไปทิ้งเนี่ยนะคะเราก็ไปกรองมาใหม่อีกรอบกรองใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็ยิ่งทําให้ตับทํางานหนักขึ้น เพราะการที่เราต้องดูแลลำไส้ไปพร้อมกับตับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะทีนี้มันก็เลยมาถึงโปรแกรมที่น้องวินหมอเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีโอ้โหที่เตรียมมายังไม่ได้พูดทักอย่างเลยเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้ประจําเลยใช่ไหม <laughs> เป็นอย่างนี้ป้ะจ๊ะโอเคเอ า, อางี้เมื่อกี้นี้เราเราคุยกันถึงโปรแกรมเรื่องของการดีท detox 14วัน นะคะอาเมื่อกี้นี้เรนบอกว่าตับนะคะตับตับตบ <laughs> โอเคตับของเรานะคะเวลาทำงาน <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับตับมีสามอย่างอันที่หนึ่งคือให้ถ่ยายแอลกอฮอล์อันที่สองคื อ, อก็อยู่ในขอบใคร โอเคถูกต้องถูกต้องถูกต้องเล่าแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอันดับหนึ่งสิ่งที่ทำลายตับมากที่สุดเลยนะคะก็คือเล่าเล่าทุกชนิดไม่สนใจมันมีทั้งเบียร์คือเราทราบใช่ไหมคะว่าเขาบอกว่าเล่ากับเบียร์เนี่ยมันเป็น empty calorie เคยได้ยินไหมคะ empty calorie หมายความว่ากินเข้าไปเนี่ยแคลอรี่สูงมากไขมันสูงมากไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนไขมันใช่ปะเพราะว่ามันเป็นฟอร์มของ มันเป็นฟอร์มของเหลวที่เวลาไปรวมกับอย่างอื่นแล้วกลายเป็นไขมันแล้วเวลาล่างกายเรากรองออกมาเนี่ยหรือว่าเวลาไปโปรเซสเรียบร้อยแล้วอ่ะมันกลายเป็นไขมันที่ไปพอกเขาถึงเป็นตับแข็งเป็นตับเขาเรียกเป็น fatty liver เป็นอะไพวกนี้กันใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเหล้าเบียร์พวกนี้แคลอรี่สูงมากคือกินเบียร์ขวดหนึ่งเหมือนกินอาหารสา ม, มื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแคลอรี่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสังเกตว่าคนที่กินเบียร์กินเหล้านะคะก็จะมีน้ําหนักเยอะ น ะ, ะถ้ากินเป็นสม่ําเสมอน้ําหนักก็จะขึ้นนะคะแต่ถ้ากินไปเต้นไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะเอ่อให้ให้ให้โอกาสให้โอกาสนะคะเรื่องที่สองนะคะก็คือพวก trans fat ต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้จะไอตัว trans fat กับไอไขมันอิ่มตัวกับไขมัน trans เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ตับทํางานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงสารเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตอาหารที่อเมริกาเนาะในซูเปอร์เนี่ยมันจะตัดออกหมดแล้วอันนี้ trans trans f a ใช่ไหมคะหรือทีแรกมันจะเป็นแค่แฟตฟรีตอนหลังจะเป็นอันซาเชอร์เตแฟตแล้วตอนนี้เป็นซาเชอร์เรตแฟตฟรีทรานส์แฟตฟรีอย่างเงี้ยคือพวกนี้เป็นเป็นเทรนในอาหารซึ่งประเทศไทยยังช้ามากเลยนื่องไหมแต่ก่อนนี้เนี่ยคือเขาบอกไม่ให้กินนมวัวใช่ไหมคะนมวัวไว้ให้ลูกวัวกินนะไม่ใช่ลูกคนกินเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนแล้วใช่ไหมคะเออแล้ววัวที่เขาเขาจะมีการย่อยระบบกระเพาะของเขาก็ต่างกับเราเนาะใช่ไหมคะ แล้วก็การที่เรากินอะไรต่างๆมันก็จะแตกต่างจากเราอะไรหรออ๋อลูกกินนมอะไรกินนมแพะปะกินนมผสมโปรโตีนเสร็จ แ, แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็เปลี่ยนจากนมวัวไปเป็นนมซอยตอนนี้ทั้งตลาดในอเมริกาตอนนี้เปลี่ยนเป็น rice milk เห็นปะประเทศไทยยังไม่มี rice milk เลยนะทั้งที่เราใช้ข้าวกันเยอะมากใช่ไหมคะอืม ใช่มีแต่ว่าอินพ็อไงอุ้ยแต่น้อยมากเลยอ่ะจริงป่ะคือคือตอนนี้เหมือนกับพอเวลามีเทรนดอะไรมาอย่างเช่นอะไรนะน้ำมันลํำข้าวเนี้ยนึกออกไหมคะก็เดี๋ยวมีน้ำมันลํำข้า ว, า ม, า ว, า ม, าวมาขายอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วพอมีไรซ์นมนมข้าวกล้องมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้มีนมข้าวโพดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอร่อย <c oughs> นะโ okay. อเคอะต่อนะคะก็คือมันจะมีเทรนมาแล้วก็เทรนไป สุดท้ายแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายอันดับสามสำหรับตับเราก็คือพาราเซตามอลนะเราจะบอกว่ายาทุกชนิดและพาราเซตามอลนะคะเป็นส่วนที่รุนแรงที่สุดกับตับของเราภาวะที่ตับนะคะมีปัญหาเยอะที่สุดคือเกิดจากการกินยาถ้าสมมติคนปกติที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้กินไขมันเยอะไม่ได้กินอะไรอย่างงี้เราจะบอกว่าอยากเข้าใจผิดไขมันกับ trans r a t e นึกออกไหมคะร่างกายเราเนี่ยจำเป็นต้องกินกรดไขมันร่างกายเราแต่ต้องกรดไขมันจําเป็นมีกรดไขมันจําเป็นอยู่สองชนิดคือโอเมก้าสามกับโอเมก้าหกทานให้สมดุลต้องหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่นึกออกไหมแล้วแม็กซิมัมคือหนึ่งโอเมก้าสามต่อสี่โอเมก้าหกแม็กซิมัมไม่เกินนี้นะไขมันจากโอเมก้าหกนะคะได้จากพืชนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะอย่างเช่นแบบน้ำมันถั่วเหลืองอย่างเช่นน้ามันเลยพวกเนี้น ะ, ะน้ำมันจากพืช ะะส่วนโอเมก้า3นะคะได้จากปลาทะเลจะให้ดีนะคะให้เป็นปลาอายุสัน้นอย่าเป็นปลาอายุยืนไอปลาตัวใหญ่ๆอยู่ น, น, นานๆอย่าไปกินมันเนึอออกไหมคะเพราะว่ามันจะสะสมสารพิษสารตะกั่วจากน้ำที่มันว่ายไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรากินปลาอายุสัน้นยกตัวอย่างเช่นปลาแซลมอนเนอะอืมโอเคทีนี้เรามาดูกันเรื่องดีท็อกซ์นะคะ ก็คือตอนนี้เนี่ยมีเทรนด์ในเรื่องของการกินน้ำใครตื่นเช้าดื่มน้ำเลยบ้างดื่มน้ำประมาณเท่าไหรคะหนึ่งแก้วเนาะก็ประมาณสองร้อยซีซีเนี่ยแหละนะคะ <S <S เขาบอกว่าจะให้ดีกินครึ่งลิตรเลยนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำทันทีนะคะปัสสาวะทันทีหลังจากนั้นนะคะก็คือในการกินดีท็อกซ์ของเราเราจะให้กินแอปเปิลนะคะซึ่งเป็นไฟเบอร์อะไรในน้ำใช่ไหมคะกินทั้งเปลือก เวลาล้างเปลือกนะคะกรูนาล้างดีๆปัจจุบันนี้เคยเห็นแอปเปิลอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง <c oughs> เคยเห็นไหมซื้อมาเนี่ยอยู่เดือนหนึ่งอยู่ในตู้เย็นเลยนะไม่เน่าไม่เสียไม่ช้ำไม่เป็นอะไรเลยเว้ยงงมากอะคอือไม่เข้าใจว่ามันอยู่ได้ยังไงแต่ตอนล้างเนี่ยนะคะคือต้องล้างแบบตั้งใจล้างอะบางทีบางคนไม่กินผิวไม่กินผิวแอปเปิลใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะแช่แว็กซ์มา เพราะฉะนัเลวลาเราล้างเนี่ยก็คือแช่แช่ดิสตรอบนิดนึงนะคะผักของเราเนี่ยผักกับผลไม้ของเราให้แช่ดิสตรอบดีๆนะแช่สักหานาทีเลยนะคะไม่ไม่ทำลายอาหารของเราแน่นอนนะคะส่วนที่สองก็คือให้ทานเอ่อสวิตโพเทโ ต, โต้ก็คือมันเทศให้ทานมันเทศเลือกเอาเลยนะคะจะมันเทศอเมริกาก็โลละสามร้อยมันเทศญี่ปุ่นก็โหลละร้อยนะคะมันเทศไทยก็ห้าสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเทศไทยเราอาจจะไม่ชอบเนาะ อ่านะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการกินขนมปังโฮวีตคือทั้งหมดแล้วเนี่ยตารางรายการนี้นะคะก็มีสามารถค้นหาได้ทั่วไปตามร้านขายยาที่ของ t r u e f r i ใช่ไหมคะนะก็ไฟเบอร์เราทานหนึ่งเม็ดอะไรพวกเนี้ยนะคะตรงเนี้ยคือเรนจะชีช้แจงนิดหนึ่งว่าหนึ่งคืออ่าโทสโฮวีตนะคะต้องโทสด้วยแล้วก็ต้องโฮวีตขนมปังธรรมดาไม่ได้สองคือเลซิตินสิบห้าเม็ดหลายคนบอกโอ้โหสิบห้าเม็ดไอกิดนึกว่าพิมพ์ผิด กินไป5เม็ดโคตรกุ้มการทำดีท็อกซ์ครั้งนั้นเป็นโมฆคคะโอ้เศร้ามากนะคะเรนจะบอกว่าเพราะอะไรเลซิตินอ๋อทอสติดโฮวีทเบรดต้องปิ้งจ้งะจ้ะเลซิติน15เม็ดใช่ นะเลซิติน15เม็ดถามว่าทำไมนะคะเลซิตินนะคะมีส่วนในการช่วยดีท็อกซ์ตับและไตทั้งคู่มีส่วนในการช่วยเรื่องการสะสมไขมันของตับด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำดีท็อกซ์สมัยควาว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำอันดับแรกสุดเลยคือกินแต่ผักผลไม้สดนะคะไม่ทำอะไรไม่เอาไปคุกไม่เอาไปต้มตุน๋นนึ่งทอดเจียวเนี่ยเหอหคะอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างกินสดหมดเลย อนะย่างเก่งก็คือแล้วเวลาทานแรซซิ่งผักก็ถ้าเป็นไปได้ไม่วินเนกัดก็ดีถ้าเป็นไลม์จู c e หรือว่าเป็นแบบอาหารสด่เอาก็บีบมะนาวใส่ไปโรยเกลือไปนิดนึงโรยพริกไทยไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยให้มันพอมีรสชาติบ้างนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวอาหารถ้าเราทำดีท็อกซ์แล้วนะคะจะทำให้เราเอ็นจอยอาหารอร่อยๆได้ทั้งชีวิตแต่การที่เราไม่ทำดีท็อกซ์เราอาจจะเอนจอยการกินอาหารอร่อยตอนนี้แต่ในอนาคตอาจจะกินไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้เราคิดถึงเรื่องอนาคตทําอันนี่สองอาทิตย์นะคะต่อปีนะคะส่วนที่เหลือในชีวิตนะจะกินอะไรก็ได้เพราะว่าหนึ่งก็เคยเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่แบบจริงๆก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรเยอะนะเป็นคนที่แบบคือสมัยก่อนเรนจะบอกอย่างเงี้ยคือเวลาเขาชอบกินหอยนางลมหัวกุ้งเคยกินว่าหัวกุ้งแม่น้ําแม่เจ้าโคตรชอบอะ่นะเนาะไข่รปลาหมึกไข่ปลาหมึกนี่เป็นอาหารเป็นอาหารหลัก นะเป็นอาหารหลักกินได้ทุกวันเลยนะชอบกินมากคอเลสเตอรอลสองรอยกว่าตอนเริ่มเข้ามาทําธุรกิจอสองร้อยตอนนี้เหลือร<อ>้อยหกสิบนะตลกไหมแล้วก็ HDL สูงปี๊ดไม่ออกกําลังกายนี่คนที่ใช้ร่างกายถลุงและใช้ร่างกายเปลืองมากนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ 14, สิบสี่สูบบุหรี่มาตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วก็กินเหล้ากินเหล้านี่คือไม่เคยแพ้ใครเลยสามารถกินจินได้หนึ่งขวดหนึ่งลิตรอะคือกินคนเดียวคืนเดียวกินได้หมดเลย กินจนแบบไปสลบอยู่ในห้องน้ําแล้วเขาต้องพาไปลากไปฉีดกลูโคสที่โรงพยาบาลไม่รู้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยทำไมมีสันดิอยู่ที่แขนวะเมือม่อน้กว่าใครวางยาเป่าคือเมามากจนแบบไม่รู้ตัวขาดสตินะก็มันมากนะคะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าถลุงร่างกายตัวเองเยอะมากพอไปตรวจสุขภาพมานะโอโหทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวมากเลยจนในที่สุดแล้วแต่ก่อนนี้เปนกินแต่โปรตีนกินแต่โปรตีนแบบแอคทีฟน้ำเชอร์รี่แค่นี้ไม่กินอย่างอื่นเพราะคิดว่าตัวเองโอเค นะคะแล้วก็เป็นหวัดมาตลอดระยะเวลาที่แบบนึกออกไหมคือตลอดมาตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหวัดเดือนละครั้งคือไปเช็คประวัติเลินที่บํารุงราษได้เลยนะคะว่าเข้ามานะจะมียาปฏิชีวนะยาลดน้ำมูกนึกออกไหมคะ พ, พารามีอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องนะคะแล้วก็มีแอคทีฟเฟตก็มีที่บ้านคือบ้านเลินเนี่ยจะมีแอคทีฟเฟตกับพาราพอถึงเวลาไม่สบายปุ๊บก็ซช้แอคทีฟเฟตเสร็จปุ๊บหลับเลยหลับไปอาทิตย์หนึ่งนึกออกว่าตื่นมากินข้าวต้มอย่างเดียว หอาทิตย์กว่าจะหายหวัดรยาปฏิชีวนะกินตั้งแต่กินตั้งแต่สามรอยมิลลิกรัมยันกินหนึ่งพันมิลลิกรัมอ่ะเพราะว่ามันดื้อขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเนาะมันดื้อขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันว่าทําไมมันดือ้อเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราแล้วเราทําไมถึงไปทําอะไรให้ร่างกายเราทําอะไรไม่เป็นนะคะแต่ว่าพอลินเข้ามาใช่ไหมคะก็เข้ามาตั้งใจกินอาหารเสริมมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะคอเลสเตอรอลที่เคยสูงก็ลดลง นะฮอาการป่วยอาการเรื่องเรารุ่นนี่นั่นคือแบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเลยมีคนที่แบบเนี่ยกินน้ำมันกินอะไรนะกินมันกุ้งกินหอยนางลมกินทิงได้สองโหลอะไรอย่างเงี้ยนกออกคะคือแบบกินตัวใหญ่ๆกินหกตัวเจ็ดตัวกินได้สบายมากชอบมากก็คิดว่ากินอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรเรนบอกว่าเนี่ยคอเลสเตอรอลดีเพราะว่ามันอร่อยนึกย definition ของเด็กพรีเมนะคือแบบเนี่ย คอเลสเตอรอลดีเพราะมันอร่อยนะถ้ามันไม่อร่อยคอเลสเตอรอลไม่ดีนะคะก็นิยามของเรานะคะพอกินดีเทลส์เข้าไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับรินชัดเจนมากๆเลยนะคือคือผิวเอเนจีการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเฟรชแต่ผลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แรกๆนะคะโอ้โหแบบลมเยอะมากแบบว่าระบบขับถ่ายแบบโอ้โหยแย่มากเลยเนย อ, อกว่าบางทีแบบถ่ายก็ไม่ปกติเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการแบบบางคนก็จะวิงเวียนศีรษะมุนหัวบางคนก็เป็นลมบางคนก็แบบเป็นหวัดบางคนก็เป็นหลายอย่างมากแล้วก็มีบางคนที่แบบว่าน้องๆหลายๆคนมีมีเพื่อนวินคนหนึ่งเคยมาทําดีท็อกซ์ด้วยความที่กินยาหมอลดเสียวะมีปัญหาเรื่องใบหน้าผิวหน้าอะไรเงี้ยพอรัทานเข้าไปเนี่ยก็คือ ผลของการออกดีท็อกซ์มาคือก็ดสิวผุดออกมาเต็มหน้าไปหมดเลยมีน้องอีกคนนึงทํานะคะก็เป็นอัปไลน์น้องแต็กอืมก็เพราะเขาเป็น SLE รู้จักไหมคะโรคภูมิผ่วงคือโรคภูมิต้านทานทําลายตัวเองแล้วเวลาเขาเขาเป็นเนี่ยอาการของเขาคือจะเป็นเป็นเป็นแผลในปากกับเป็นแผลร้อนในอ่ะเป็นแผลในปากตลอดเวลาคือเป็นตลอดเวลาแล้วเป็นทีงสองสามเม็ดแล้วเม็ดแบบเื้อออกว่าเหมือนสิวหัวช้างอ่ะ กลัวมากแต่ว่าตอนที่เขาพอเขาทําดีท็อกซ์เสร็จใช่ไหมพอช่วงที่เขาทําดีท็อกซ์ดีกว่ารู้สึกเขาทาดีท็อกซ์ต่อกันสามชุดมั้งช่วงที่เขาทําดีท็อกซ์เนี่ยโอ้โหแบบไอ้ที่มันผุดออกมานี่มันผุดออกมาที่หน้าปากตรงเนี้ยคือแบบน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยอะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะคือทําดีท็อกซ์ไปสามเซตอาการโรคต่างๆเหล่าเนี้ยคือหายกลายเป็นชีวิตเป็นปกติได้ แล้วก็ไปบวชอยู่ที่วัดเทพศิรินป่ะคะวัดเทพศิรินอยู่สามปีโดยที่แก้กินโปรโตีนเบนเทานันธรรมดาเฉยๆเนาะก็ทำให้สุขภาพของคนคนหนึ่งที่ถือว่าเป็น SLE นี่ถือว่ารักษาหายไม่ได้นะมีแต่นับวันรอรอวันตายอย่างเดียวแต่เขาทันดีท็อกซ์เข้าไปแล้วคือเปลี่ยนแปลงเลยสิ้นเชิงอย่างคุณลุงที่รินบอกว่าฉีดฉีด อ, อินซูลินให้ตัวเองเป็นเบาหวานที่กินทุเรียนวันละลูก จากฉีดร้อยูนิตเหลือเจ็สิบยูนิตแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนี่เหรอคะปัจจุบันนี้นะโคตรแข็งแรงตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเข า, าอายุประมาณเจ็ดสิบได้ล้วเป็นอัพไลน์พี่เดชยัยทีนึงอืมแล้วก็ตอนนี้ไปอยู่เชียงรายก็สุขภาพปกติก็ยังเป็นเบาหวานอยู่บ้างแต่ว่าไม่หนักหน่วงเหมือนครั้งก่อนๆสามารถทํางานได้ยังเอนจอยชีวิตยังอะไรอย่างนี้นะคะแอคทีฟได้นะคะก็อันนี้คือเลซิตินคือลดการสะสมนะคะของไขมันที่ตับและการช่วยให้ไตเนี่ยดีท็อกซ์ตัวเองได้ดีขึ้น นะเพราะฉะนั้ น, นการกินให้ถูกต้องตามกฎหลักอันนี้เลยนะคะก็คือแคลแมกโปรตอนนี้เป็นแคลแมกดีซึ่งมีข้อข้อดีมากขึ้นนะก็มีรีเสิร์ชออกมายังไม่ได้พิสูจน์เลยทีเดียวน ะ, ะว่า U.V เปลี่ยนไปแล้วนะคะทำให้ระบบสังเคราะห์วิตามินดีของในร่างกายเราเริ่มไม่ดีเพราะฉะนั้ น, นการกินแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยต้องควบคู่ไปกับวิตามินดีด้วยเอสดโดยเฉพาะตัว D3 นะเพราะฉะนั้ น, นก็คืองานที่ทานควบคู่กันไปจะดีที่สุดนะคะ แล้วก็ C L A นะคะก็เป็นกรดไขมันโอเมก้า6นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนในการช่วยเรารักษากล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารักษากล้ามเนื้ออาไว้เพราะว่าในช่วงที่เราทําดีท็อกส์เนี่ยมันก็จะช่วยมันจะเป็นการขับออกจากไขมันถูกป่ะในช่วงนั้นเนี่ยคือใช้ energy ใช้อะไรต่างๆเยอะเนี่ยมันอาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อไปซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับในเรื่องของไขมันออกมา เพราะฉะนันการทานพวกนี้ทั้งหมด เ, เป็นเซตนะคะผักพลไม้รวมก็เราก็รู้อยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระพวกไบโอฟลาวานอยด์ทั้งหลายที่เราเขียนในสไลด์แรกๆใช่ไหมคะเรื่องกรูธาไตโอนเรื่องอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยกําจัดะะพวกสารที่เป็นเป็นอนุมูลอิสระออกนะคะรวมทั้งพวกนี่เห็นไหมคะก็คือกินแคลแมกโปรวันละหกเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากวันหนึ่งเรียนกินประมาณสี่เดนนี้เป็นครบทุกอย่างเลยตอนเข้ามามวลกระดูกติดลบ ติดลบสองเข้ามามวลกระดูกติดลบสองปัจจุบันนี้บวกสองแล้วลไม่ได้เด็กลงนะคะใช่ไหมเขาบอกว่าหลังยี่สิบห้านะเราก็ลดการสะสมแคลเซียมในกระดูกแต่กลับกลายเป็นว่ามวลกระดูกเพิ่มขึ้นจากลบสองเป็นบวกสองเท่ากับขึ้นมาสี่คะแนนนะเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากๆนะตอนนี้เนี่ยกระดูกแข็งแรงกว่ากันอีก ซึ่งกันเป็นชายชะกันนะคะเอาล่ะก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของรีมาร์ต่างๆนะคะบางคนก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นบางคนในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีปัญหาจะรู้สึกเพลียปวดเมื่อยเแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยคือมันขาดอะไรแล้วมันวิกตรงไหนนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยเลยนคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเหลียกเลี่ยงได้นะคะช่วงดูสันดองถ้าเราเหลียกเลี่ยงได้ ให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสยัยคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าทานนะคะถ้าอย่างเช่นบุหรี่ดื่มเหล้านะคะกาแฟชาน้ำอัดลมนะคะของหวานต่างๆของทอดนะคะของไข่ที่มีมันแล้วก็แฟตเนื้อสัตว์อะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่เป็นอาหาร p r o c e s ไส้กรอก เนื่องยอาหารกระป๋องทั้งหลายนะคะอะไรที่มันต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างอื่นเนี่ยมาให้เราหลีกเลี่ยงตรงนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวขอเช็อีกนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วอย่างที่เราดูหนังไปลินคิดว่ามันคงชัดเจนเนาะ <S <S คือลินจะบอกว่าเรื่อง GMO เนี่ยเป็นเรื่องที่สุดเป็นเรื่องที่ลินคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ลินจะต้องพูดในวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ อยู่ใกล้ตัวเรามากใกล้จนทำให้เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทันคิดอะ GMO เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยปลาแซลมอนก็คือ GMO หมดแล้วที่เรากินกันอยู่ไทยคิดว่าวัวกินปลาเฮลตี่มากเลยจะบอกว่าปลาแซลมอนปกติกินไหมคะข้าวโพด <B ID. S 1> เออเนาะปกติปลาไม่กินข้าวโพดจริงๆแล้ววัวก็ไม่กินข้าวโพดใช่ไหมคะไม่กินที่ดู <B ID. S 1> ใช่ป่ะปกติวัวกินหญ้าเนาะอืม no. mm. ก็เนี่ยแหละสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนธรรมชาติเนาะกลายเป็นว่าวัวพันนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะเริ่มถูกเอนจิเนียร์ออกมาให้มันรับการกินข้าวโพดได้สองก็คือปลาแซลมอนก็จะถูกเลี้ยงให้กินข้าวโพดได้ข้าวโพดเนี่ยนะคะก็จะถูก GMO มาเพื่อให้รับยาฆ่ า, มาแมลงได้ให้รับยาฆ่าวัชพืชได้แล้วก็ให้ปลูกในภาวะอากาศต่างๆได้ตอนนี้มนุษย์แตเก่งมากเลยแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือเรากาลังทาลายตัวเองอยังไง GMO จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ทุนเดิมเราเขามีความตอนนี้เขากําลังทําวิจัยออกมาแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมาจากเผ่าแอฟริกาหนึ่งเผ่าที่กระแดตะเวนออกมาจากเนื้อออกม า, ากออกมาจากทวีปตัวเองคือชาวแอฟริกันเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ในเผ่าทีม่มีอยู่ในแอฟริกานี่คือแข็งแรงมากนะเนื้ออกมาเขาลองดูสภาวะสภาวะบ้านเมืองของเขาอ่ะ แล้วเขายังอยู่กันได้อย่างแข็งแรงยังไม่ได้เป็นโรคมีแต่โรคอะไรคะมีแต่โรคที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเช่นเอสที่เป็นปัญหาของเขาถูกป่ะคะแต่ว่าปัญหาของเขาโรคอื่นๆนี่แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนดำเนี่ยจะเป็นโรคได้ยากกว่าค น, คนขาวและรวมถึงขาเหลืองน้ ำ, นำและน้ำตาลด้วย <laughs> มีขาวเหลืองน้าตาลแล้วก็ดานะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเราไกลผ่านไปเรื่อยๆนะคะตามสภาวะภูมิอากาศแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบสมัยก่อนที่แบบเป็นนึกออกไหมมันมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วแหละนะคะมันก็ตะเวนออกมาแล้วก็กระจายออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆนะคะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทาง a r c h a e o l o g i s t คือพวกที่ค้นคว้าพวกนี้เขายังวิจัยอยู่แต่ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์มันก็ถือว่าน้อยมากแล้วแล้วทีนี้พอเราไปทานอาหารที่มันถูกตัดต่อทางพันุกรรมขึ้นมาเป็น pattern เดียวอ่ะเหมือนวันนี้ตื่นเช้ามาเราไม่กินอะไรเลยนอกจาก แตงกวากับไก่อ่ะการกิน GMO เหมือนการกินแตงกวากับไก่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะขาดสารอาหารจากส่วนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยก็ไม่ได้มีผักห้าสีอยู่ในตัวมันเองใช่ไหมเราก็จะขาดสีเหลืองขาดสีขาวขาดสีนู่นสีนี้เต็มไปหมดเลยนี่แหละก็คือสิ่งที่เรากําลังเรากําลังกินอยู่ทุกวันก็คือเรากินซ้ํากินซ้ำกินซ้ำกินซ้ำกินซ้ำจนทําให้ร่างกายเราเนี่ย w e a มาก มนุษย์เดี๋ยวนี้ป่วยง่ายมากแล้วก็ป่วยตั้งแต่อายุน้อยมากเพราะว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่มียิ่งวันยิ่งกินยิ่งซีนยิ่งซ้ำยิ่งกินยิ่งซ้ำนะคะยิ่งป่วยง่ายและยิ่งไม่ได้ชดเชยส่วนต่างๆแล้วทำให้ DNA ของเราถูกทำลาย New ท l i ไลมีเฮสไลเรายังไม่จบอะ่ะนะคะ New ทริลนะคะมีเรื่องของการตรวจน้ำลายหาโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ขย่าวงการมากๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเราจะสามารถออกแบบได้เลยว่าเราควรจะกินอาหารเสริมแบบไหนที่เหมาะกับเราเราจะเห็นนะคะที่ที่สถาบันนิวทริไลส์เนี่ยคือพวกนี้เขาจะทานอาหารเสริมกันไม่ได้ทานเยอะเหตุผลที่เรามาเรียนกันที่นี่ที่รินบอกว่าพวกเราโชคดีคือเราจะได้ไม่กินสเปสสปาน้ำนิวทริไลส์เนี่ยมีมา70กว่าปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นกระป๋องโกโก้นิวทริไลส์สมัยก่อนนะคะแล้วก็นิวทริไลส์นี่ก็คือ from seed to serving ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงการอัดเม็ดขึ้นมานะคะทุกอย่างคือดูแลเองหมดเลยนี่คือการเพาะปลูกนะคะที่ฟาร์มนะลินก็ไปแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นชาวที่เคยทํางานที่นิวทิไลและเกษียณแล้วแล้วปัจจุบันก็ทําเป็นวอลเลนเตียในการไกด์ทัวร์นะไอ้ไส้เดือนตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนที่เราใช้ในการพลวนดินเราไม่ใช้เครื่องจักรพลวนดินแต่ไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวนะคะมีเพื่อนมันด้วยนะคนะนะก็เราก็ไปดูถึง Pri นซิพิโทั้งทั้ง9้าชนิดนะคะที่ทําอยู่ แล้วก็เขาก็จะสกัดเอาสีสารต่างๆพยายามเก็บรักษาคุณสมบัติของมันตามเดิมให้มากที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็คุณลุงนี้เป็นคนออกแบบแพคเกจิ้งของ Double X ออ่าแล้วก็มานำทัวร์พวกเราด้วยเหมือนกันนะข้างหลังก็เป็นยูนิคเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> พวกเราก็ตอนนั้นเอาบัตรเพชรไปไปขออนุญาตเข้าไปดูเป็นสเปเชียลทัวร์ภายในนะคะก็เป็นทัวร์ของโรงงานเนาะ อันนี้ก็สนุกมากนะคะเราก็จะไปดูโลงงานว่ามันมีอะไรบ้างนะ่ะก็จะมีเรื่องของแบบเครื่องจักรต่างๆที่ก่อนงทันสมัยนี่คือลินถ่ายผ่านตู้แบบประตูกระจกอีกทีหนึ่งกำแพงกระจกอีกทีหนึ่งที่เขาแบบมีไว้ให้เราดูแล้วก็มีการโปรเซสและทำงานอยู่นะตอนนั้นด้วยนะคะ นึกจำไม่ได้แล้วว่าเครื่องนี้มันทำอะไรรู้สึกว่าจะเป็นการคัดเลือกอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีกระบะสองอันแล้วก็แยกแยกของกันนะคะแล้วก็คือมันมาจากข้างบนเห็นไหมคะมันจะเป็นถุงการโ o c เซสนี่ก็เป็นอาหารเสริมแล้วเรื่องที่ดีก็คือเวลาอาหารเสริมออกมาไม่ผ่าน QC ีเนี่ยมันธรรมชาติขนาดไหนนะคะเขาเอาเมล็ดเอาเม็ด อาหารเสริมพวกนี้ที่เราที่เขาคัดออกมาแล้วไม่ผ่านคิวซีเนี่ยเอาไปโรยที่ฟาร์มเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับพืชรุ่นต่อไปไม่เห็นไหมคะแล้วก็อย่างเช่นเอาฟลาว่าเนี่ยนะคะเราเป็นซัพพลายเออร์ในตลาดที่เป็นอ Al ันฟาฟี่เป็นเหมือนราชาสมุนไพรนะเหตุผลที่ดิเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผลิตภัณฑ์ที่บ้านเนี่ยไปไปไ ป, ไปทำดีท็อกมีคนเคยเป็นโรคไฮโปไทรอยเนี่ยคะ่ะ เขาก็เอาสูตรอาหารดีท็อกซ์เนี่ยเอาสูตรอาหารดีท็อกซ์ไปใช้ปรากฏว่าไปซื้อของในท้องตลาดเหตุการณ์ก็คือกินไปสองวันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าวิตามินตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นสารสังเคราะห์มันไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่าลืมลินจะบอกว่าสําคัญมากๆคือต้องเข้าใจว่าธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติถ้าเรากินของที่เป็นธรรมชาติจรงิงๆออแกนิกจรงิงๆเราจะไม่มีปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลินใช่ไหมคะ อันนี้คือกำแพงเนี้ยเป็นกำแพงของของลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่นิวทีไรมีไม่ใช่บางส่วนลิขสิทธิ์บางส่วนที่นิวทีไรมีไ mm hmm. อตีตีเป็นคนอัดวิดีโอ นะคะอันนี้ก็เป็นใบลิขสิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ที่แอมเวได้จดลิขสิ์เอาไว้นะคะก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทําดีท็อกซ์เราจะทานสารอาหารที่มันทําให้ตับและไตของเราขับสารพิษออกมาให้ได้มากที่สุดลดการพอกตัวของไขมันที่ลําไส้และได้ที่ตับและไตของเราและในขณะเดียวกันทําลายทําความสะอาดลําไส้เพื่อให้ไม่มีการดูดย้อนกับ เพื่อไม่ให้มีการไหลย้อนกลับ <laughs> มี dry w e a e นะคะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะบอกพวกเราว่าจริงๆการ ท, ำทํำ detox นะคะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ลิงคิดว่าถ้าร่างกายเราวันนี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์อ่ะสูงสุดอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการดูดซึมหรือระบบการกำจัดสารพิษในร่างกายของเราเนี่ยทำงานไม่ดีพอนะคะก่อนที่จะเริ่มดูแลสุขภาพเริ่มรีเซ็ตก่อน คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเราเปิดทิ้งค้างไว้เรื่อยๆนัเรายังต้องรีเซ็ตเลยใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียบชาร์จเสียบชาร์จเสียบชาร์จบางวันก็ต้องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่บางทีก็ต้องรีเซ็ตเน็ตเวิร์กแล้วทาไม่เคยไม่เคยรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กในร่างกายของเราเลยใช่ไหมค ะ, ะนะเราก็มาเน็ตเวิร์กเรามารีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กในร่างกายของเราด้วยกันนะโดยการทําความสะอาดตับกระต่าซึ่งทํางานตลอดเวลา ะะก็อยากจะให้สนับสนุนพวกเรานะถ้ามีคําถามอะไรเรื่องการดีท็อกซ์ก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ส่วนสัปดาห์้วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะสนุกมากๆเราจะได้รู้กันว่าการกินยาปฏิชีวนะนะคะหุ้มต้นทานร่างกายของเรานะการทํางานของระบบร่างกายเราเนี่ยทายังไงให้เราสอนให้ร่างกายเราได้ทํางานเองเป็น ไม่ต้องพึ่งยาเพราะว่าพึ่งยาก็วนกลับไปที่ตับอีกรอบใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าทำยังไงให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงในครั้งหน้านะคะแล้วไว้พบกันสวัสดีค่ะโอ้ก็ขอเสียงตบมือดังๆให้พี่เล่นอีกทีหนึ่ง น, นะคะโอ้ฟังเรื่อง ดีท oh, ็อกซ์วันนี้เต็มสูบมากเลยใช่ไหมคะเห็นตั้งแต่ทีแรกนั่งฟังไปอยู่ข้าวโอ้เจอลำไส้ทีเดียวยิ่มก็ได้โอ้โหแล้วไส้น่ากลัวมากใช่ไหมคะว่าอะไรที่ผิดปกติอย่างนี้โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยก็วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของดีท็อกซ์ใช่ไหมคะของคอร์สสองเรานะคะก็ได้มีแค่วันเดียวใช่ไหมคะมีถึงสี่ครั้งด้วยกันนะคะก็ต้องมีทั้งดีท็อกซ์นะคะครั้งต่อไปก็อย่างที่พี่ลินบอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานแล้ว วันอังคารหน้านะคะก็เป็นเรื่องกับโรคเสื่อมนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือเป็นโรคของผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการลดความอ้วนโอ้ก็สําหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับสองท่านนะคะที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์บนเวทีนะคะก็เดี๋ยวตบมือทีเดียวเลยนะคะก็ท่านแรกนะคะขอขอบคุณนะคะพี่วินนะคะคุณกวินวุฒิมงคลกุลนะคะแล้กวก็อาจารย์ของพวกเรานะคะขอบคุณพี่ลินนะคะคุณลินละพัสสัจพจน์นุ ก, กูลคะ่ะ อ, อ๋อ ก็อ <S ess ics> ย่างที่บอกใช่ไหมว่ะว่าวันเสาร์นี้เป็นเรื่องของภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เดี๋ยววันนั้นจะน่าจะตื่นเต้นกว่านี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะสม่ำเสมอ น, นะคะเดี๋ยวยังไงวันเสาร์นี้เจอกันแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะแชร์ความประทับใจ น, นะคะว่าวันนี้ประทับใจอะไรเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความรู้วันนี้ที่เราได้ไปบ้าง น, นะคะ 5-10 บนาทีนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านกั น, นะค่ะสําหรับโปรแกรมวันนี้ จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ